อขอกราบนมัส ก, การพระคุณเจ้าสวัสดีครับท่านสาธุชนที่เคารพทุกท่านวันนี้ก็เป็นคืนที่สามที่เราได้ทาความเข้าใจกันในเรื่องราวของการเจริญวิปัสนากรรมฐานเรื่องของวิปัสนากรรมฐานนี่ก็เพึงทราบว่าเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์คือไม่ใช่ข้อปฏิบัติเพื่อจะให้ได้รับความสุขในชาตินี้หรือชาตินานหน้า เป็นข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์โดยตรงแล้วก็ไม่มีใครที่จะมาชี้นำวิธีการที่จะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นี้ได้จนกว่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะตรัสรู้พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยรู้ทางแห่งความพ้นทุกข์ได้อย่างไรคือท่านแจ้งพระนิพพานก่อนท่านมุงมั่นเพื่อการลดละกิเลส พยายามทุกอย่างทรมานร่างกายหลายวิธีการที่จะลดละกิเลสของตัวเองจนกระทั่งพบข้อปฏิบัติที่ท่านไปรู้ความจริงเขา้าไม่ต้องไปเพียรพยายามทรมานร่างกายโดยประการอื่นแต่ท่านได้ประจักษ์ความจริงของธรรมชาติครับเห็นความจริงของรูปของนาม ที่ปรากฏขึ้นในตัวพระองค์ท่านจึงตามพิจารณาดูรูปนามตามทวาวรทั้งหกก็เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของนามของรูปนั้นปัญญาที่เขาไปเห็นอย่างนี้เนี่ยเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของนามของรูปพระท่านพิจารณาด้วยปัญญาแล้วบอกว่า สเปสังคารานิจญายาทาปัญญายะปะสติอาธานิพินทติทุกเกเอสมัคโควิสุตติยะแต่ก็ปรารบว่าผู้ใดเห็นสังขารทั้งหลายไม่เทียงย่อมจะเบื่อหน่ายในในทุกในความเบื่อหน่ายในทุกนี่แหละจะเป็นเหตุให้เขาไปแจ้งพระนิพพานอันที่จริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พอท่านประพฤติปฏิบัติดูรูปนามตามความเป็นจริงแล้วท่านแจ้งปณิพพานธ์ท่านปฏิบัติในธรรมานุภัสนาสติปัฏฐานถามว่าพระพุทธเจ้าท่าน ร, รูปนามได้อย่างไรที่ท่านค้นหาความจริงแต่เราศึกษาตามพุทธประวัติแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าท่านได้วิชาสามก่อน วิชาสามก็คือปุเพนิวาสานุสติยันท่านระลึกชาติได้ก่อนระลึกชาติย้อนหลังไปหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนชาติแต่ละชาติก็เป็นไปก็ด้วยความสุขบ้างทุกบ้างบางชาติก็สวยสุขบางชาติก็สวยทุก จิตใจก็ยังหวั่นไหวเล่าร้อนไปกับความทุกข์ความสุขนี่ท่านปรารถนาจะร <c oughs> ะลึกชาติให้ได้มากๆต่อไปตอนนี้ท่านก็รวบรักไม่ต้องติดตามดูมากถ้าต้องการดูชาติที่สองร้อยชาติที่ห้าร้อยอะไรท่านก็จับเจาะจงตรงนั้นแต่สมัยนี้เราก็เรียกว่ายิ่งกว่าคอมพิวเตอรอ์คือไม่ต้องติดตามดูทุกชาติ ท่านจับลงที่ตายจากภพชาตินี้แล้วไปเกิดใหม่ในภพนั้นภพนี้นี่ท่านปัญญาของท่านได้รวบรัดตัดตอนเห็นความเกิดขึ้นและความเห็นจุดติปฏิสนธินั่นแหละในมัจจิมายามของวันวิสาขบาูชาท่านก็เห็นจุดติปฏิสนธิเห็นความดับเห็นความเกิดขึ้น ่ความดับและความเกิดขึ้นมานั้นก็รู้ว่าสภ า, าวะของรูปของนามนั่นเองที่ก็เป็นตัวจุดติและเป็นตัวปฏิสนธิไปนั่นแหละในมัชฌิมายามท่านก็ได้ไประจักษ์ความจริงในรูปนามขันห้าที่มีทั้งความดับทื้นไปเป็นธรรมดามีความเกิดเป็นธรรมดาวิปัสสนาเกิดในมัชฌิมายามจากนั้นปัญญาของท่านก็เห็นความ เกิดขึ้นระดับไปของสังขารรูปนามขันธ์บอกไม่ต้องคอยตายคอยเกิดแม้ที่เรากําลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้อยู่ในกิริยาบทเดินยืนนั่งนอนนี่ไอรูปนามก็เกิดเกิดขึ้นระดับไปอย่างนับไม่หวัไม่ไหวเลยทีเียท่านพิจารณาสังขารโดยความเป็นไตรลักษณ์ใน ปธิมยามท่านจึงได้ตรัสรู้อริยสัจธรรมทั้งสี่ประการรู้รวดเดียวตั้งแต่โสดาปติมัคโสดาปติผลสกทาค า, ามิมัคสกาทาคามิผลไปจนกระทั่งถึงอาราัตมรคอรัตผลซึ่งจากอาสวะกิเลสพอท่านแจ้งพระนิพพานแล้วท่านก็ ระลึกถึงเหตุที่จะทําให้แจ้งปรนิพพานเพราะนิพพานนั้นพรนิพพานเป็นผลว่าเหตุอะไรที่เราสามารถที่จะไปแจ้งพรนิพพานได้ก็ลําดับเหตุในการที่ปัญญาเข้าไปแจ้งพระนิพพานไะด้ทาอย่างไรปัญญาถึงจะไปแจ้งพรนิพพานได้ท่านก็รู้ทันทีจะต้องอาศัยการเจริญมรรค ในมัชฌิมาปฏิปทาต้องเจริญมัชเนี่ยถึงจะไปแจ้งพนิพันธ์ได้ขณะนี้การเจริญมัชเนี่ก็องค์มัชทั้งแปดประการประชุมพร้อมกันในขณะที่แจ้งพนิพันธ์นั่นเป็นมัชคประโญสารเป็นที่สุดของมัชได้เห็นเบื้องต้นเห็นถ้ำกลางเห็นที่สุดของมัช เห็นที่สุดของมรรคก็คือเห็นองค์มรรคประชุมกันแปดประการองค์มรรคแปดก่อนที่จะไปองค์มรรคประชุมกันแปดประการ น, นั้นวิปัสสนาญาณเกิดก่อนที่วิปัสสนาญาณจะเกิดนั้นสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นตัวสติปัฏฐานเนี่ยเป็นปุพพาคามากมรรคเป็นเบื้องต้นของมรรคภพมจัญวิปัสสนาญาณนั้นเป็นมัชฌิมามรรคแต่ทั้งสองญาณ น, นี้ยังอยู่ในโลกี ยังเป็นปัญญาที่อยู่ในโลกแต่เมื่อวิปัสสนามีปัญญาแก่กล้าผ่านวิปัสสนูปกเล์ไปแล้วตอนนี้วิปัสสนาก็ดำเนินไปเห็นสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเห็นสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์เห็นธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาที่ท่านตรัสแสดงไว้ในตีรขนาคถาว่าสัพเพสังขารานิจา ญะธาปัญญายะปะสติอาธานิพินทติทุกเกเอสมัคโควิสุทธิยะบอกผู้ใดพิจารณาเห็นสังขารคือสังขารนิมิตรรูปนามกันท่านเห็นความไม่เที่ยงของรูปนามกันท่านเมื่อ น, นั้นก็ย่อมจะเบื่อหน่ายในสังขารความเบื่อหน่ายในสังขา น, นี่แหะ จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พ้นทุกข์ได้ทุกข์ก็หมายถึงว่าทุกข์จากการเกิดสัพเพสังขาราทุกขารยะธาปัญญายะปสติอัฏฐานิพินทติทุกเขเเอสมัคโควิสุตติว่าผู้ใดพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ก็ย่อมจะเบื่อหน่ายในทุกข์ใ้ความเบื่อหน่ายในทุกข์นี่แหละ ก็เป็นเหตุทําให้บรรลุพระนิพพานได้สุดท้ายบอกว่าสัพเพธรรมานตาท่านพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ได้อยู่ในอํานาจบังคับบัญชาของใครมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาตามเหตุตามปัจจัยของเขาไม่ได้อยู่ในอํานาจบังคับบัญชาของเขา นั่นแหละจะบอกเห็นทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาอันนี้ก็เป็นหนึ่งในไตรลักษณ์ที่จะทำลายคณะสัญญาและกระจายคณะสัญญาลูปกรละรูปนามคนละนามออกไปเหมือนกับการระเบิดภูเขาให้แตกแยกออกไปเนะี่เป็นสิ่ ง, งไม่มีรูปร่างสันฐานเดิมเหลืออยู่ด้วยปัญญาสามารถของท่านและในที่สุดก็เห็นว่า ตันหามันอาศัยรูปนามขันห้าไม่ได้บอกอนิสิตโตจาวิหารติในรูปนามที่มันแตกดับพินพังไปด้วยความไม่เที่ยงก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีหรือไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครๆก็ดีตันหาไม่ไม่ไม่เกาะเกี่ยวเลยเมื่อตันหาไม่เกาะเกี่ยวตันหาก็ละคลายเกิดความเบื่อหน่ายในสังคัญเบื่อหน่ายถึงที่สุดแล้วก็ปล่อย ความยึดมั่นถือมั่นในรูปนามขันหน้าเสียได้แจ้งปนิพันนี่แหละที่เราศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามแนวทางของท่านแนวทางของคำสอนในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะตั้งพระพุทธปฏิบัติตามหลักคำสอนในสติปัฏฐานสี่การนี้ที่เราได้ทำความเข้าใจกันไปแล้วก็ สวันมาถึงวันนี้แหละก็เรื่องของวิปัสนาบอกว่าหลักในการเจริญวิปัสนากรรมฐานหลักการแรกทีเดียวเราต้องเข้าใจเข้าใจไกลออกไปนิดว่าวิปัสนากรรมฐานนี่เป็นการปฏิบัติเพื่อการอบรมปัญญาให้รู้ยิ่งเห็นจริงในสภาวะรมตามความเป็นจริง ประโยชน์ของวิปัสนาเขานี่ก็เพื่อความหมดจดจากกิเลสเพื่อความพ้นทุกข์แจ้งพระนิพพานคือพ้นจากการเกดนี่เราก็ได้เข้าใจความหมายมาโดยลําดับว่าวิปัสสนานั้นก็คือปัญญาที่เข้าไปรู้ความจริงของนามของรูปเห็นอาการเป็นไปของนามของรูปเขามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดา ปัญญาที่เห็นนามรูปไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตานี่ก็เกิดขึ้นเรียกว่าวิปัสนาปัญญาปัญญานี้ต้องอบรมต้องอบรมเริ่มต้นจากการศึกษานามรูปให้เข้าใจสักว่าธรรมชาติความจริงในโลกนี้มีแต่นามกับรูปสองสิททั่วไปหมดทั่วสากลจักรวาลมีแต่นามจะรูปเท่านั้นโดยย่อดที่สุดแล้วและนามรูปนั้นก็มีอยู่ในตัวเราทุกคนนั่นแหละ เราไม่ต้องไปขนไถ่แสวงหาที่ไหนนามรูปอยู่ที่ตัวเราทุกคนแต่แม้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ชี้อยู่ที่ตัวเราเนั่นแหละการจะเข้าถึงพระศาสนาหรือเข้าถึงพระรัตนกรัยอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่อยู่ที่พระพุทธเจ้าหรือไม่ใช่อยู่ที่สังเวชนีสถานันธ์ ว่าตัวธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าต ร, รัสรู้น่ยท่านตรัสรู้รูปนามตามความเป็นจริงแต่รูปนามตามความเป็นจริงนั้นก็มีอยู่ที่ตัวเรานี่ยเราทุกคนเพราะฉะนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ไหนพระพุทธก็คืออยู่ที่ปัญญาเข้าไปรู้ความจริงของนามของรูปรู้ทุก พระพุทธเจ้าทานสอนให้เกิดปัญญารู้ความจริงของธรรมชาติคือการรู้ทุกข์รู้ทุกข์นะ่รู้อะไรรู้รูปนามที่ตัวเราแลวตัวพุทธะอยู่ที่ไหนเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้รูปรู้นามนั้นลนะปัญญาของพระพุทธเจ้าก็บังเกิดขึ้นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ตัวเราเนะี่ยท่นแสดงสัจธรรมที่เป็นความจริงคือทุกขสัจธร รูปนามขนหน้าที่ตัวเราไดหละนี่คือพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าส่วนเราผู้ปฏิบัติในการเจริญสติปัฏฐานเราปฏิบัติตามหลักคำสอนในสติปัฏฐานของพระองค์เราก็เหมือนกับพระสงฆ์ที่ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปัญญาเกิดขึ้นตามลำดับโดยเริ่มเข้าใจว่ารูปอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามที่ตัวเรา เพระนั้นรูปนามที่ตัวเราเนี่ยเนื่องจากรูปนามนั้นมีอยู่เกลื่อนกลนทั่วไปในแสนโกศจักรวันแม้ที่ตัวเรานี่ก็ประกอบด้วยรูปด้วยนามกายกับใจกายเป็นรูปใจเป็นนามมีกายกับใจแต่รูปนามเหล่านี้ไม่ใช่มีเฉพาะที่กายกับใจลราแค่นั้นเขายังปรากฏให้เรารู้ได้ตามทวารทั้งห เวลารับอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจรูปนามเท่านั้นแหละรับปรากฏขึ้นเกลื่อนกลนไปหมดขณะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรู้รสกายถูกต้องสัมผัสใจคิดนอารมณ์ล้วนแล้วแต่มีแต่รูปตนามเท่านั้นแหละที่เราได้ทำความเข้าใจกันไปแล้วว่าขณะรับรู้อารมณ์ทางตาเนี่ย สีกับตากับจักขคู่ประสาทนี่เป็นรูปเห็นเป็นนามนี่รูปนามคันาคก็ประชุมกันทางหูก็เสียงกับหูนี่เป็นรูปได้ยินเป็นนามทางจมูกก็กลิ่นเป็นรูปคานาประสาทจมูกเป็นรูปรู้กลิ่นเป็นนามทางลิ้นรสเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดฝาดขมนี่เป็นรูป รถกระทบกับลิ้นชิวหาภาษาทะรูปนี่เป็นรูปรูปต่อรูปกระทบกันทำให้ชิวหาวิญญาณรู้รสขึ้นมานี่เป็นนามทางกายก็โวดทับพระอารมณ์ที่สัมผัสถูกต้องได้ก็มีธาตุดินแข็งหรืออ่อนธาตุน้าร้อนหรือเย็นไอธาตุไฟร้อนหรือเย็นธาตุลมเคร่งตึงหรือเคลื่อนไหวเขาสัมผัสกายยาศาสตรกายากายภาษาทะรูปได้ เพราะนั้นผดทพากับกายภาษาทรูปนี่เป็นรูปรู้สึกถูกต้องสัมผัสนี่เป็นนามกายย้าวิญญาณ ท, ทางใจเดินยืนนั่งนอนนี่เป็นรูปรู้ว่าเดินยืนนั่งนอนนี่เป็นนามคือทางใจนี่ไม่ต้องไปกระทบกับประสาทอะไรนึกรู้ได้ ท, ทันทีนึกถึงการเดินการยืนการนั่งการนอนที่เราใช้อยู่เป็นประจำเดินยืนนั่งนอนนี่เป็นอาการของรูป ตัวดูตัวรู้ว่าเดินรู้ว่ายืนรู้ว่านั่งรู้ว่านอนนี่เป็นนามหรือทางใจเราคิดนึกเราฟุ้งไปในเรื่องต่างๆง่วงหรือสงบนี่เป็นนามไอ้ตัวที่ไปรู้ความคิดนึกรู้ว่าฟุง้งรู้ว่าง่วงรู้ว่าสงบนี่ก็เป็นนามเหมือนกันเอานามดูนามด้วยกันนี่ก็แสดงถึงว่ารูปกับนามเนี่ยโดยสังเขป ใหญ่ๆแล้วก็กายเรานี่เป็นรูปใจเราเป็นนามแต่โดยละเอียดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งรูปนามนี่ครับปรากฏให้เรารับรู้ได้ตามทาวารตาหูจมูกลิ้นกายและใจเรารับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจโดยความเป็นจริงแล้วก็มีแต่รูปกับนามเท่านั้นเองอย่างเราเห็นเนี่ยสิ่งที่ถูกเห็นคือสีต่างๆเรียกว่าวันณรูป เราไม่ได้เห็นเป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุสิ่งของหล้วเห็นเป็นคลื่นแสงเป็นสีต่างๆนี่เป็นรูปตัวเห็นเนี่เป็นนามนี่รูปนามเข้าประชุมกันทีตาเสียงก็เช่นเดียวกันเสียงนี่ก็เป็นรูปเสียงสูงเสียงต่ําเป็นรูปสัตรูปกระทบกับโสตประสาทก็เป็นรูปได้ยินเนี่เป็นนามธรรมชาติที่เป็นความจริงที่ปรากฏขึ้น ในการรับรู้อารมณ์ทางตาก็มีรูปกับนามทางหูก็รูปุกกบนลัมทางจมูกก็มีรูปกับนามทางลิ้นก็มีรูปกับนามทางกายก็มีจะรูปกับนามทางใจก็มีรูปกับนามความจริงเป็นอย่างนั้นแต่ที่เราอยู่กันในโลกนี้เราสมมุติกันขึ้นมาเราสมมุติบัญญัติแต่งตั้งเพื่อให้รู้ความหมายกันในหมู่คณะในกลุ่มในพวกตั้งชื่อเรียกขานกันนี่บิดามารดานี่บุตรนี่ธิดา นี่พี่พ้าน้าอาเนี่ยเรามารู้จักกันโดยการสมมติบัญญัติกันขึ้นแล้วก็ตั้งชื่อเสียงเรียงนามแม้ในวัตถุสิ่งของต่างๆก็เช่นเดียวกันกรนี้ทำยังไงเราถึงจะไปรู้ให้รู้ให้ตรงกับความเป็นจริงของธรรมชาติที่เขาปรากฏขึ้นในขณะปัจจุบันเพราะนั้นการดูรูปดูนามเนี่ยจึงจะต้องรู้ในขณะปัจจุบัน ถ้าช้าไปนิดนึงหรือรู้ล่วงหน้าไปหน่อยนี่มันไปเอาบัญญัติอารมณ์มารู้แล้วมันไม่รู้อยู่กับปัจจุบันเพราะนั้นถ้ารู้ช้าไปนิดนึงหรือเราไปคิดล่วงหน้าไปหน่อยนี่ไ ม, ไม่ไม่ด้อยู่กับปัจจุบันแล้วจะไม่รู้จักความจริงของธรรมชาติเพราะเหตุนั่นแหละรูปเสียงกลิ่นรสผดภพ ร, ภภรมอารมณ์ที่กระทบถูกต้องทา ง, งภาษา ท, ทั้งห้านี่ เหล่านั้นล้วนเป็นอารมณ์ปัจจุบันทั้งนั้นแหละขณะที่กระทบเนะี่ยเป็นของจริงที่กำลังมีอยู่ในปัจจุบั น, น, นแต่ว่าเราไม่ได้ยินได้ฟังมาเดี๋ยวนี้เราได้ยินได้ฟังมาว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้สอนเรื่องอายตนะภายในหกภายนอกอายตนะภายในก็ตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นรูปไอ้ใจนี่เป็นนาม อายตนาภายนอกก็รูปเสียงกยลิ่นรสโผฏฐพารม์นี่เป็นรูปแล้วส่วนธรรมอารมณ์นั้นเป็นทั้งรูปทั้งนามสรุปแล้วมีแต่รูปแต่นามเท่านั้นแหละทุกขนาดที่เรารับรู้อารมณ์นี่แหละที่เราจะไปฝึกกันเนี่ยเราต้องตั้งสติให้ไปรู้รูปอะไรรู้นามอะไรหละจะไปถ่ายถอนสมมติบัญญัติออกทั้งหมดเริ่มตั้งแต่ถ่ายถอนอัตตาตัวเราเป็นต้นไปเอาตัวเรา ให้รู้ตรงความจริงว่ามีแต่รูปธรรมทานั้นเนี่วิธีการที่พระพุทธองค์ประสงค์ที่จะให้เรารู้ความจริงของธรรมชาติจริงๆไม่เอาสัตว์สมมติสัตว์จากเข้าไปใส่แล้วก็ในขณะที่เราไม่รู้ความจริงนั่นกิเลสมันเกิดขึ้นได้เพราะไม่รู้ความจริงของธรรมชาติเวลาเห็นก็บอกว่าเราเห็น ไม่รู้ว่าธรรมชาติที่เห็นนั่นคือนาเวลาได้ยินก็บอกว่าเราได้ยินไม่รู้ความจริงของธรรมชาติที่ได้ยินว่าเป็นนามเวลาเราเหม็นเราหอมไม่รู้ความจริงว่าเป็นรูปกลิ่นก็บอกว่าเราไม่รู้จักรูปไม่รู้รูปเวลาลิ้มรสอร่อยไม่อร่อยเนี่ยไม่รู้ที่รูปรสแต่ไปรู้ว่าเราอร่อยเราไม่อร่อยเวลานั่งนอนยืนเดินไม่รู้ที่รูป รูปนั่งรูปนอนรูปเดินไม่รู้กลับไปรู้ว่าเรานั่งเรานอนเรายืนเราเดินนี่ผิดจะเรียกวิปลาสไปวิปลาสข่าเคลื่อนไปจากความเป็นจริงท่านประสงค์จะให้เราทําลายวิปลาสต่างๆเหล่านี้แต่คราวนี้วิธีการที่จะทําลายวิปลาสต่างๆเหล่านี้เนี่ย <c oughs> จะต้องทําอย่างไรถึงจะทําลายวิปลาสต่างๆเหล่านี้ได้ ท่านตรัสไว้ว่ามีอยู่ทางเดียวคือสติปัฏฐานสีเพราะนั้นเราไม่สามารถที่จะ <c oughs> ยังไม่สามารถที่จะอ่านรูปอ่านนามตามทวารทั้งหกได้ว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามต้องเริ่มต้นปฏิบัติตามวิธีการของท่านคือให้ปฏิบัติตามสติปัฏฐานสีในสติปัฏฐานสี่นี่ก็ตือให้ ให้สติตั้งและลึกรู้อยู่ที่สี่แห่งที่กายเวทนาจิตธรรมที่รูปกายแล้ว ห, หรือที่นามเวทนาหรือที่นามจิตหรือที่ธรรมท่านแบ่งไว้สี่อย่างแบ่งสี่อย่างนี้ก็ <c oughs> ให้เหมาะสมกับจริตของผู้พิจารณาของผู้ดู คนมีตัญหาจริตปัญญาน้อยให้ดูรูปเพราะรูปกายเ่านี้เป็นของหยาบของใหญ่ให้คนมีปัญญาน้อยรู้ได้ไง่ายและมีอยู่ตลอดเวลาคนตัญหาจริตปัญญากล้าให้ดูนามเวทนาทิฏฐิจริตปัญญาน้อยให้ดูนามจิตทิฏฐิจริตปัญญากล้าให้ดู ทั้งรูปทั้งนามดูธรรมดูธรรมเพราะนั้นเราจึงไม่จําเป็นจะต้องรู้หมดทุกอย่างไม่จําเป็นจะต้องรู้ทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมเราไม่รู้เราอยู่ในจริตทางไหนเราบอกรู้รู้หมดเรามีทุกจริตแต่ความจริงนี่ผู้รู้ท่านบอกมาแล้วว่าเมื่อไกลจากพุทธการมามากเท่าไหร่ กิเลสตัณหาก็มีกำลังมากเพื่องผูมากตอนนี้นกิเลสมากตัณหาก็มีกำลังมากเพราะนั้นคนอยู่ไกลจากพระพุทธเจ้าแล้วแล้วตัณหาจริตมากตัณหาจริตนี้ก็อยู่ที่ปัญญามากปัญญาน้อยแต่ถ้าเพิ่งจะตั้งต้นเริ่มสนใจในคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัญญาบา ร, รมีในอดีตเราไม่ได้สั่งสมม า, มากอันนี้เราก็ จะต้องพิจารณาถึงกายละปัญญาน้อยปัญญาน้อยคือไม่ได้ยินได้ฟังคำสอนของผู้เจ้ามา ก, ก่อนหรือไม่ได้มีความสนใจมา ก, ก่อนอันนี้เราก็จะต้องพิจารณาถึงกายหละปัญญาน้อยปัญญาน้อยคือไม่ได้ยินได้ฟังคำสอนของผู้เจ้า ม, มา ก, ก่อนหรือไม่ได้มีความสนใจมาก่อน ปัญญาก็น้อยเราไม่เข้าใจรูปเข้าใจนามรูปนามนี่กว่า จ, จะเข้าใจกันจริงๆกำหนดให้ถูกต้องตามสติปัฏฐานนี่ก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันก็เห็นผู้ปฏิบัติเนี่ปฏิบัติกันบางคนหลายสิบครั้งกว่า จ, จะถึงบางอ้ออ๋อมันไม่ต้องไปเพ่งไปทำอะไรเลยพอตื่นเช้าวันนี้ นอนอยู่ดูดูมันก็รู้สึกที่รูปนอนขึ้นมาเอออย่างนี้แต่บางทีไปเพ่งซะปวดหัวปวดศีรษะแน่นนะอกไปหมดไปเกรงรูปไปทํารูปให้ตั้งมั่นเพื่อจะเอาสติไปตั้งให้มั่นคงยั่งยืนไปอย่างนี้ก็การปฏิบัติก็คล้ายๆเรามีความต้องการคือไปทําขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้ามีความต้องการอยู่แล้วละก็ ก็จะต้องไปทํากรรมฐานนี่ท่านห้าหมไว้เหมือนกันเราไม่ต้องไปทําอะไรหรอกไอตัวรูปตัวนามนี่เขาเป็นสังขารธรรมเขามีการเกิดดับของเขาอยู่เสมอไปเราจะดูหรือไม่ดูก็ตามเธอรูป น, นามขันหักเขามีเกิดดับกันอยู่ตลอดเราเป็นแต่เพียงว่าเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเราจะเจริญสติปัฏฐานตามคำสอนของพระเจา้า เราก็ทำสติเข้าไปตั้งอยู่ที่รูปที่น้ำที่กำลังกากดอยู่นั่นเองอันนี้แหละเราจึงเห็นได้ว่าในการจเจริญสติปัฏฐานท่านตรัสไว้สี่อย่างเหมือนกันถ้าเราจะลำดับพิจารณาตามคำสอนในสติปัฏฐานลำดับที่หนึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสถึง ว่าสติปัฏฐานนั่นเป็นทางเดียวเป็นทางองีกที่จะทำให้สัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสได้ทำให้เก้าหลวงความโศกความร่ำไรความทุกข์กายทุกข์ใจทำให้บรรลุเยียธรรมคืออริยมรรคที่เราประสงค์จะบรรลุทำให้แจ้งพระนิพพานหนทางนั้นคือสติปัฏฐานสิท่านแสดงานิสงของการเจริญสติปัฏฐานอน ว่าทำให้หมดจดจากกิเลสทำให้ก้าวล่วงความโศกความร่ำไรรำพันธ์ดับเสียสงความทุกข์กายทุกข์ใจทำให้อริยมรรคประชุมพร้อมกันและทำให้แจ้งปณิพันธ์หนทางนั้นคือสติปัฏฐานสิท่านเม่บอกว่าจริงอยู่ท่านบอกเอกายโนโมัคคบอกทางเดียวแต่ว่าทางนั้นน่ะมีฐานอยู่สี่ฐาน ฐานใดฐานหนึ่งแหะถึงจะเป็นเอกายนามัตยแต่ที่เราปฏิบัติกันบางท่านสอนว่าเอาทุกฐานแหละพอรูปนั่งดูรูปนั่งกายานุปัสนาสติปัฏฐานเป็นทุกเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็ไปดูทุกพอดูทุกแล้วก็าหายทุกไปหายทุกไปแล้วก็จิตก็พอใจหายทุกแล้วจิตก็พอใจไปดูจิตแล้วก็ดูทำอะไรกันเื่อยเปื่อยไป บททุกฐานเลยพระพุทธองค์ไม่ได้ตรัดสอนอย่างนั้นท่านบอกอิท้าพิขเวพิขุหลังจากท่านแสดงสติปัฏฐานสี่แล้วเพรานะั้นลำดับหนึ่งแสดงอานิสง์ของสติปัฏฐานว่าเอกายโนโอยังพิขเวมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาโสกาวปริเทวานางังสมติม ข, มาาขมายะทุกขโทมนัสานังอัถังนขมายะยายสะธิขมายะ นิพพานะสะสัชกิริยายะยาที่ทางจัตตารสติปทานะไอนี้เป็นอารัมภกถาก็เลยอุเทศตั้งอุเทศไปก่อนแล้วก็ถามต่อไปว่ากะตะเมจัตตารสติปทานสี่ไอสี่ฐานะเป็นอะไรบ้างอาจาร์ก็บอกว่ากายเวทนาติธรรมบอกว่าอีทาพิกเวพิกุ กายเยกายานุปสีวิหารติอาตาปีสัมปชาโนสติมาวิเนยโลเกเอภิชาโทมนัสสังบอกพิกูในภาษาสนานี้เนี่ยย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเนืองเนืองอยู่มีความเพียรอย่างกิเลสให้เราร้อนด้วยสติด้วยปัญญาย่อมกำจัดอภิชาและโทมนัสที่ได้ในโลกถ้าเราเจอโทนสติปฐานแล้วพิจารณาลูกกายเนืงเนือเนี่ย โลพาโทสะสงบอภิชาก็โลพาโทสะพิกุในภาษาศาสนานี้ท่านไม่ได้หมายถึงนักบวชแต่ท่านหมายถึงบุคคลผู้เห็นภัยในวัดตะทั้งบัรพระชิตทั้งคลวัตถ์ า, า, า, าเ็เรียกว่าพิกุในวิสุทธิมัชฌะก็ชี้แจงไว้ชัดเจนเรียกว่าพิกุมีความหมายหลายอย่าง แต่พิกูที่มาเจริญสติปัฏฐานนี่ก็หมายถึงว่าบุคคลผู้เห็นภัยในความเวียนเกิดเวียนตายในวัฏทุกข์ทํายังไงเราถึงจะพ้นจากการเกิดได้เนี่ยผู้เห็นภัยในวัฏฏานี่เรียกว่าภิกขูบอกว่าจะเป็นบรรพชิตก็าตามเป็นคาลือหัดฆราวาสก็าตามผู้หญิงก็าตามผู้ชายก็าตามเด็กผู้ใหญ่ก็าตามถึงใครก็าตามที่เห็นภัยในวัฏฏะแล้วไม่ใช่แค่เฉพาะมนุษย์ แม้แต่เทวดามารพรมเห็นว่าอาการเกิดนี้เป็นทุกข์แล้วก็ต้องมาถือปฏิบัติตามหลักคำสอนนี้นี่ท่านแสดงถึงว่าผู้เห็นภัยในวัฏจรจะต้องมาพิจารณากายในกายหนึ่งๆพิจารณาเวทนาในเวทนาหนึ่งๆเวทนาสุเวทนานุปสีวิหารติ อาตาปีสัมปชาโนโอสติมาวิเนยยโลเกเอภิชาโทมนัสังอาพิขุณในภาษาศาสนานี่ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองเนืองอยู่มีสติมีปัญญาย่อมกำจัดอภิชาและโทมนาสิได้ในโลกเวทนาในเวทนาก็เวทนามีเก้ามีสุขเวทนาทุกขเวทนาอาทุกขมสุขเวทนาและสุขเวทนาที่เจอด้วยอามิตร เจ้อา mith ก็คือกามาคุณอารมณ์เรามีความสุขเพราะได้รูปสวยได้เสียงไพเราะได้กลิ่นหอมได้รับประทานอาหาร อ, ารอร่อยอยู่ในห้องแอร์ปรับอากาศเย็นสบายนี่เนื่องด้วยการมด้วยอามิตรทุกขเวทนาได้เนื่องด้วยอามิตรเราได้เครื่องบำรุงบเลความสุขของเราเนี่ยอ้าวตอนนี้มันเสียขัดข้องึ้นมาแล้วนะก็เป็นทุกข์แล้ว เกี่ยวกับเรื่องปรับอากาศเสียหรือพัดลมเสียหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าดับมองไม่เห็นอะไรต่างๆเป็นทุกข์ทุกขเวทนาที่เนื่องด้วยอา m i t อาทุกขมาสุขเวทนาด้วยเนื่องด้วยอามิ t h เรามีของใช้ที่บริบูรณ์ไม่ได้ขัดข้องขัดสนอะไรและไม่ได้มีอะไรสวยงามเป็นพิเศษเป็นปกติธรรมดาใช้ของ เป็นปั่นกลางเราก็ไม่ได้ยินดียินได้ในะอารมณ์นี่อทุกขมสุขที่ไม่เนื่องด้วยอามิตรที่เนื่องด้วยอามิตรขอไปแต่ที่ไม่เนื่องด้วยอามิตรเนี่ยไม่เนื่องด้วยกามอารมณ์จะโดยมากเป็นพวกพวกทำสมถะกรรมฐ า, านมาได้ชานออกจากกามได้ชานได้ฌานมาเข้าฌานอยู่ในฌานเห็นความสุข ชานสุกออกจากชานแล้วมาพิจารณาสุกชานเสื่อมไปเกิดความเสียดายเสียใจยเสียอกเสียใจชานเสื่อมไปชานเสื่อมไปก็เดือดเนื้อร้อนใจนี่ไม่ได้เนื่องด้วยอามิตรเพราะเนื่องจากสมาธิจิตเสื่อมไปโดยกิเลสเข้ามาลบคนถ้าอยู่ในชานได้ตามปกติเราก็เป็นอุเบกขาไปไม่ได้ยินดียินไร้ายไป แต่ว่าผู้ปฏิบัติตามปกติเอาสามอย่างก็พอสุขเวทนากรู้ทุกขเวทนากรู้อทุกขมสุขเวทนาก็รู้ถ้ า, า, า, นาคนที่คงแก่เรียนหน่อยเขาก็แจกออกไปทั้งเ้าอย่างนี่ดูเวทนาในเวทนาจิตเตนะจิตตานุปสีวิหรติอาตาปีสัมปชาโนโอสติมาวินัยยโยเกอภิชาโทมนาัง บอกว่าภิกขูในภาษาศาสนานี้ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตหนึ่งเรื่องอยู่มีความเพียรอย่างกิเลสให้เราร้อนมีสติมีปัญญาย่อมการจัดอภิชาและโทมนัสเสื่ได้ในโลกดูจิตจิตมีราคะก็รู้ไม่มีราคะก็รู้มีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะก็รู้มีโมหะก็รู้ไม่มีโมหะก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหู่ก็รู้จิตสงบก็รู้ตามรู้จิตมีจิตเป็นอารมณ์เป็นฐานที่ตั้งของสติ ดูธรรมก็ดูรูปขันนามขันดูขันห้าดูนิวรดูอยายตนะสิบสองดูโพชฌงเจ็ดดูสัจจะสี่ดูธรรมในธรรมก็ในห้าหมดห้าบพะ้ดยกันกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นมีสิบสี่บพะสิบสี่บพะแยกขยายออกไปที่จัตตาโรโสติปัฏฐานาน่ท่านแสดงโดยอุเทศโดยสังเขต พอสติปัฏฐานสนีะ่มีกายเวทนาจิตธรรมขยายกายออกไปอีกสิบสี่อารมณ์เรียกว่าสิบสี่ปัพพะหนึ่งอาณาปานปัพพะสองสัมญญปัชญยะปัพพะยุรยาบทย่อยสามจัตุธาตุมนสิการธาตุดินน้ำไฟลมสี่อ่า ปฏิกูลปะะัปปะผมขนเล็บฟันหนังเป็นปฏิกูลห้าสิวัตถิกากรรมฐานหรืออสุภกรรมฐานอีกเก้าอารมณ์รวมเป็นปะะสิบสี่ปัพปะซากศพที่ตายแล้วใหม่ๆอย่างหนึ่งที่พองขึ้นอื่นที่มีน้ำเหลืองน้ำหนองเน่าแล้วไหลปลีออกมาจากกายเนื้อเอ็นกระดูกยัง รัดรึงกันอยู่แต่กระจัดกระจายออกไปในสิบในในเก้าอาการด้วยกันในกายานุปัสนาสติปัฏฐานนี่จึงเป็นอารมณ์ของสมัติสำหรับพวกชานลาภีบุคคลเขาถือปฏิบัติก่อนเพราะเขาทำชานมะาก็มีอนาฟาะปะาัปภะสีวัตถิกา ก, กรรมฐานหรืออสุภะกรรมฐานเก้าเป็นสิบปฏิกูลปัปภะผมขนเลนฟันหนังเป็นของโซโครก เราต้องชําระล้างทําความสะอาดจิตเธอเพื่อจะละสุภาพสัญญาหรือละสุภาพวิปลาสของเราออกไปให้จิตสงบกามราค่าจะได้สงบระงับผิตจะได้สงบได้ไง่ายพอจิตสงบได้ไง่ายก็ได้ฌานในปุปในปฏิกูลบัปปะนี้ได้ถึงปฐมฌานในอสุภะก็ได้เพียงแค่ปฐมฌานในอนาปานะปัปปะได้ปัญจมาฌานได้ห้าฌาน พวกนี้ทำฌานก่อนแล้วจึงเจริญวิปัสนาแต่ในส่วนอิรยาบทปปะพระอิรยาบทใหญ่สัมปชัญญะปปะพระอิรยาบทย่อยแล้วก็จตุธาตุมนัสิการ น, นี่เป็นวิปัสนารวนรวมความแล้วว่าในกายานุปัสนาสติปัฏฐานนี่จึงมีทั้งสมถะและวิปัสนา สมาถานั้นหมายถึงว่าต้องทำสมรัก่อนจนกระทั่งได้ฌานได้ฌานแล้วต้องเข้าฌานให้คล่องแคล่วเป็นวสีห้าประการมีอวัชนะวสีพิจณาองค์ฌานเราจะเข้าฌานต้องพิจณาองฌานาองค์ฌ า, านที่เราได้มาเราเคยได้ปฐมฌานมาประกอบด้วยวิตกวิจารปีติสุเอกคตาต้องยกจิตขึ้นสู่อารมณอย่างไงประคองจิตไว้เข้าครึ่งอารม์ยังไร จะตั้งจิตได้ในอารมณ์นั้นเกิดความปีติขนลุกสุ่ส่ า, า ย, ยังไงมีความสุขใจยังไงสมาธิตั้งมั่นอยู่ยังไงเสร็จแล้วออกจากฌานมาเอาอันใดอันหนึ่งในองค์ฌานมาพิจารณาแต่ว่าโดยมากที่ท่านแสดงไว้ก็เอาเวทนานุปัสนาสุาติปัฏฐานเพราะว่าพวกนี้มีปัญญาเขาเ็กติฆาบุคคลเกิดมาพร้อม้วยปัญญามีปัญญามากไม่ใช่พวกปัญญาน้อย แต่ทันหาจริตมีก็ดูเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานไปนั่นก็เป็นเรื่องของสติปัฏฐานทั้งหมดกายานุปัสนาสติปัฏฐานสิบสี่เวทนาเก้ายี่สิบสามจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานอีกสิบหกเท่าไหร่ละยี่สิบสามก็สิบหแล้วก็ ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็น44 44อารมณ์แต่ของเราทำ44อารมณ์หรือเปล่า44ปัฏพระไหมไม่เราเอาอันเดียวสันน้ษนแหละเอาอีริยาบทปัฏพร ะ, พะในการพิจารีิริยาบทปพัพระเนี่ยดูรูปีิริยาบทใหญ่ๆพระพุทธเจ้าท่านก็แสดงไว้ ในลำดับต่อจากอนาป า, านะ ป, ะปะัปปะท่าน ว, ว่าอย่างไรว่าบอกว่าปุนะจะพลังพิกเวเมื่อแสดงอนาป า, านะปัปแล้วบอกข้ออื่นยังมีอีกคือยินยาบทประปาในลำดับต่อไปท่านตั้งขัตันต ว, วาขัตฉามิติปชานะติในกายานุปัสนาสติปัตตม ก็เมื่อขนาดที่ก็เมื่อขนาดที่ที่เดินเนี่ยขนาดที่เดินเนี่ยก็มีรูปเดินอยู่ข้ันตัววาข้าชามิติปชาาติบอกว่าเมื่อเดินอยู่ก็รู้รูปเดินนะรูปเดินส่วนภาษ า, าบาลีเขาจะแปลเป็นภาษ า, าไทยว่าเมื่อเดินอยู่ก็รู้ว่าเราเดินเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจเขเอาตรงการที่จะรักษารูปแบบประกยักดไว แต่ถ้าแปลว่าเราเดินแล้วมันผิดความหมายเพราะเราจะถ่าทอนถ่าทอนสัตว์ประลักธิสัตว์สัตว์ตบุคคลตัวตนเราเขาออกไปไม่มีตัวเราตัวตนคนสัตว์เราเขาไปตามที่พระพุทธเจ้าท่านชี้ว่าทำทั้งหลายทั้งปวงไม่มีสัตบุคคลตัวตนเราเขาแล้มีแต่รูปกับนามคราวนี้เราดูรูปก่อนในกายานุปัชนาสติปัฏฐานท่านบอกให้ดูรูปกายนี่ที่อิริยาบถ รูปยนะี่สิบแปดนั้นท่นไม่ได้ให้ดูรูปยนะี่สิบแปดครับท่านให้ดูรูปลมหายใจเข้าหายใจออกให้ดูรูปซากศพให้ดูผมขนเล็บฟันหนังที่เป็นปฏิคูณเพื่อประโยชน์แก่จิตเป็นสมาธิให้ได้ฌานให้ดูอิริยาบถปรพระดูรูปเดินยืนนั่งนอนดูสัมปชัญญปะปพระดูอิริยาบถจ้อยดูธาตุสี่ เพื่อประโยชน์ให้วิปัสสนาปัญญาเกิดนี่เราไม่เข้าใจกันก็บอกว่าเอ๊ะดั้งนอนยืนเดินนี่ไม่ไม่ใช่รูปยี่สิบแปดท่านไม่ได้บอกให้ดูรูปยี่สิบปดท่านให้ดูอิริยาบถประภารูปกายที่เกิดจากจิตเป็นสมุทฐานที่เรามีความจําเป็นต้องเดินต้องยืนต้องนั่งต้องนอนอยู่ในชีวิตประจําวันของเราแต่ดูให้ถูกให้ตรง บอกคัดฉันโตวาคัดฉามิติราชานติเมื่อเดินอยู่เนี่ยก็ให้รู้ว่ารูปเดินทิตโววาทิตมหิติราชานติหรือว่าเมื่อยืนอยู่ก็ให้รู้รูปยืนนิสินโนวานิสินโนมหิติระชานติหรือว่าเมื่อนั่งอยู่ก็ให้รู้รูปนั่งสยานโนวาสยานโนมหิติระชานติหรือว่าเมื่อนอนอยู่ก็ให้รูปรูปนอน ท่านให้ดูที่ปัจจุบันอารมณ์ของอิริยาบถของเราปัจจุบันอารมณ์นี่ก็มีความสําคัญดูของจริงที่กําลังปรากฏขึ้นในเวลาขณะปัจจุบันที่มีอยู่นี่ไม่ใช่คิดนึกกลับนี่แล้วครนี้บอขยายความไปอีกนิดนึงรูปเดินรูปยืนรูปนั่งรูปนอนอยู่ตรงไหนที่เราจะดูเขา ท่านบอกยะถายะถาวาปนัสกาโยปนิโตโหติตถาตถานำมะพชานาติเมื่อเธอตั้งกายไว้ในอาการอย่างไรอย่างไรก็ให้รู้ความเป็นไปของรูปกายที่ตั้งอยู่ในอาการอย่างนั้นอย่างนั้นให้ดูรูปที่มีอยู่ตั้งอยู่ในอาการอย่างไรดูที่เขากําลังปรากฏอยู่ของเราไปสอนให้ดูดับอะไรกันนะสอนให้ดูดับ ดูทีมันดับไปทีดูทีมันดับไปทีถามว่าอะไรมันดับรูปที่ดูนะมันดับหรือหรือว่าไอ้ตัวรู้มันดับไอ้ตัวรู้มันดับอ้าวก็ให้ดูรูปแล้วไปดูตัวรู้ทําไมล่ะนี่ผิดฐานผิดจากคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือเวลาเราขยับขึ้นยื่อนนิดนึงให้ดูรูปดับอ้าวท่านไม่บอกท่านบอกเบื้องกายตั้งอยู่ในอาการอย่างไรให้รู้ความเป็นไปของรูปกายที่ตั้งอยู่ในอาการอย่างนั้นอย่างนั้น ท่านให้ดูที่มันมีอยู่ส่วนไม่มีดับหรือไม่ดับนี่เราคิดนึกทางนั้นแหละมันไม่ใช่เป็นของจริงที่เราเห็นกระจักโดยมากก็คิดอยู่พอนั่งแล้วลุกขึ้นออรูปเก่าดับยืนละเดินไปออรูปยืนดับไปแล้วเราคิดนึกตามหลังไปท่านห้ามการคิดนึกท่านห้ามไว้ที่ไหนในเพทรัตนถ า, าบอกบัณฑิตเนี่ย ไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเพราะสิ่งที่ล่วงไปแล้วมันไม่มีอยู่มันก็ลากไปแล้วไม่ควรหวังในอนาคตอารมณ์ที่ยังมาไม่ถึงเพราะสิ่งที่ยังมาไม่ถึงมันก็ยังไม่มีมาต่อเมื่อใดเขาพึงรู้อยู่กับอารมณ์ที่กำลังปรากฏเฉพาะหน้าคือปัจจุบันอารมณ์ให้รักษาความรู้นั้นไว้เพราะว่าใ้การรู้อารมณ์ที่ปรากฏ เฉพาะหน้าเนี่ยจะเป็นอารมณ์นาไปสู่ความสวัสดีสวัสดีก็คือความพ้นทุกข์ให้รู้อารมณ์ปัจจุบันเท่านั้นแหละเราจะพ้นทุกข์ได้ท่านบอกไว้ชัดเจนเพราะไอ้ความเกิดความดับนั้นต้องรู้ที่รูปกำลังปรากฏอยู่ในขณะนั้นเอาอาดีตมาไม่ได้เอาอนาคตมาไม่ได้ต้องรู้อยู่เฉพาะาอันนี้ท่านก็แสดงถึงให้ดูอิรยาบทใหญ่ๆสี่ ดูรูปเดินรูปยืนรูปนั่งรูปนอนที่อาการท่าทางเขาียาบทนั่งตอนนี้ถ้าใครไปปฏิเสธว่ารูปเดินยืนนั่งนอนไม่มีปฏิเสธใครละ่ะปฏิเสธคําสอนของพระพุทธเจ้าพวกนี้ประสบบาปเป็นอันมากทาั้งๆที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แต่ไปบอกว่าไม่มีนี่เพราะตัวเองรู้ไม่ถึงเข้าไปไม่ถึงหรือไม่เคยปฏิบัติอันนี้ก็ ทำให้ผู้ฟังสับสนปนเปไปท่านคงเคยฟังไทยเป็นคนพูดียาบทรูปเดินยืนนั่งนอนไม่มีก็คงจะเคยได้ยินไปนี่ผิดจากความเป็นจริงไปอันนี้ก็เรียกว่าถ้าเขาสอนไปอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าธนุบำรุงพระศาสนาหรือทำลายพระศาสนาทําลายทําลายพระศาสนาเพราะว่า ไม่ได้เอาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสอนคราวนี้เมื่อท่านสอนให้ดูรูปเดินรูปยืนรูปนั่งรูปนอนแล้วนี่แล้วความรู้ขั้นต่อไปบอกว่าอย่างไงอิติอัชิ ต, ตังวากายเยกายานุปัสสีวิหารติย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเนืองเ น, องเนืองอยู่พระหิตทาวากายเยกายานุปัสสีวิหารติ ย่อมพิจารากายในกายอันเป็นภายนอกอัจฉิ ต, ตาพระหิทาวากายเยกายานุปัสสีวิหะทัตยย่อมเห็นกายทั้งภายในและภายนอกเนืองๆจกนี้อัตถากถ า, ามาแปลในสัมโมหาวินทตนีีว่าอัจฉัด ต, ตังวาเนี่ยหมายถึงกายตนพระหิทธาวาเนี่ยหมายถึงกายคนอื่นไปโน่นเลยไปโน่น แล้วบาหลีเขายืนยันเนี่ยเขาไม่ได้บอกกายตนกายคนอื่นแต่ว่าอัชัดตะเนี่ยแค่ภายในตนไปทาวาคือภายนอกอาจารย์ที่ท่านเข้าใจในการปฏิบัติท่านบอกอ้าวจะไปทำยังไงดูตนเองดูคนอื่นก็ไอ้ตัวเองเราก็จะเอาตนเองออกแล้วถึงให้เดี๋ยวไปดูรูปดูนามแล้วมาย้อนกลับมาดูตัวเองทำไม่ะาก็แปลว่า โดยกรร ม, มาฐานสัญจรที่คล่องแคล่วแล้วหมายถึงว่าคล่องแคล่วแล้วแหะมันเห็นทั้งในตนตนเป็นยังไงคนอื่นก็เป็นยางงั้นอันนี้ก็ยังละตนไม่ได้อีกนะมันมีตัวตนอยู่ที่จริงท่านไม่ยึดไม่กเกาะเกี่ยวอะไรเลยเพราะต่อไปบอกว่าอย่างไรว่าเห็นกายในกายกายกายอันเป็นภายในก็คือในอิริยาบถประภะกายอันเป็นภายนอกคือรูป รูปอะไรบ้างรูปอิริยาบทย่อยซึ่งไม่อยู่ในอริยบทหรือถ้าเนื่องกันรูปที่เรารับรู้ทางจมูกทางลิ้นทางกายเพราะอะไรเวลาได้ได้รับรู้อารมณ์ทางจมูกให้กำหนดอะไรรูปกิ่นรับรู้อารมณ์ทางลิ้นให้กำหนดอะไรรูปรสรับรู้อารมณ์ทางถูกต้องสัมผัสทางกายให้กำหนดอะไรรูป แข็งอ่อนเย็นร้อนเพ่งตึงเคลื่อ น, น, นไหวรับรู้อารมณ์ทางตากําหนดอะไรนามเห็นรับรู้อารมณ์ทางหูกําหนดอะไรนามได้ยินพวกนี้เราจะต้องเข้าใจพื้นฐานพวกนี้ก่อนเพราะรูปนามเนี่ยเขาปรากฏขึ้นให้เรารู้ได้ตามทวาร ท, ท, ทั้งหกทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจที่เคยบอกแล้วเนี่ยเรามีอยู่ในชีตเนี่ยบอกให้รูปกับตาเนี่สีกับตานี่เป็นรูป เห็นเป็นนามเสียงกับหูเนี่ยเป็นรูปได้ยินเป็นนามกลิ่นกับจมูกเป็นรูปลู้กลิ่นเป็นนามรสกับลิ้นเป็นรูปรู้รสเป็นนามแล้วก็ผธพารลมผดพักกับกายเป็นรูปรู้สึกถูกต้องสัมผัสเป็นเป็นนามถ้าทางใจก็รูปเดินยืนนั่งนอนเนี่ยเป็นรูปรู้ว่าเดินว่ายืนว่านั่งนอนเนี่ยเป็นนาม หรือง่วงฟุ้งสงบนี่เป็นน้มรู้ว่าง่วงว่าฟุงง้วงว่าสงบเนี่ยนามไปดูน้ำตอนนั้นเวลาดูรับอารมณ์เนี่ยรูปน้มที่ปรากฏขึ้นตามะวันทันทง้งหกจำได้ไหมว่าถ้ารับอารมณ์ทางตางกำหนดอะไรใครจำได้บ้างกำหนดรูปแล้วกำหนดน้มนามเพราะอะไรทำไมกำหนดน้มน้ำเห็นเพราะอะไร กำหนดนามเห็นเนี่ยเวลารับอารมณ์ทางตาให้กำหนดนามเห็นเพราะอะไรอ้าวจะไปดูสีไม่ได้เหลอให้กำหนดสีไม่ได้เลยอ่าเห็นรูปสวยก็ดูดูรูปไม่ได้เหลยทางตาอ่าให้ดูนามเพราะว่าไอ้ตัวเราไอ้สักกายาทิฏฐิมันไปยึดนามเห็นว่า เราเห็นอาจจะเอาเราออกต้องไปดูนามครนี้เราสีในสีเป็นรูปเราสีไม่มีเราตาก็ไม่มีมีแต่เราเห็นความเข้าใจที่เราเห็นไปรับรู้ยึดนามว่าเป็นเราเห็นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เราเห็นนามเห็นเพราะนั้นถ้าไปดูสีไปดูตาเสียความเห็นผิดมันไม่ได้อยู่ตรงสีตรงตา ความเห็นผิดมันอยู่ที่นามเห็นเราเห็นเข้าใจนะฮะแกได้ยินก็เหมือนกันเราเสียงไม่มีเราหูไม่มีแต่เราได้ยินมันมีอพอมาถึงจมูกเราเหม็นเราหอมนี่ไอเหม็นมันไปยึดอยู่รูปกลิ่นไนดะ้เพราะไอเหม็นหอมนี่มันอยู่ที่รูปกลิ่นนี่ต้องดูรูปไอเรามันไปยึดอยู่ในรูปทางลิ้นรูปรส เพราะอะไรเพราะไอ้ความเห็นผิดมันไปยึดอยู่เราอร่อยเราไม่อร่อยมันไปผิดอยู่ในรูปรสถูกถูกต้องทางกายแข็งอ่อนเย็นร้อนแก้งตึงเคลื่อนไหวมันไปดูรูปเราไปยึดอยู่เด้อว่าเราหนาวเราร้อนเนี่ยเราเมื่อยเราปวดเราเจ็บอะไรเนี่ยทางกายมันยึดปวดทางอารมณ์นั้นความเห็นผิดมันไปยึดอารมณ์อะไรท่านให้กําหนดให้ถูกตรงตามอารมณ์นั้นเพื่อจะเอาความเห็นผิดเอาสกายอาทิตติออก เราก็จําไว้เป็นสูตรสําเร็จถ้ารับอารมณ์ทางตาให้กําหนดนามเห็นรับอารมณ์ทางหูกําหนดนามได้ยินรับอารมณ์ทางจมูกกําหนด ร, รูปกลิ่นรับอารมณ์ทางลิ้นกําหนดรูปรสรับอารมณ์ทางกายให้กําหนดรูปแข็งอ่อนเย็นร้อนเก้งเปิงเกลื่อนไหวรับอารมณ์ทางใจได้ทั้งรูปทั้งนามอันนี้อันนี้ต้องอาศัยเรายังไม่ได้ประสบแต่ว่าเราได้ยินได้ฟังมาแล้วเราจําไว้ก่อนเหตุผลเพราะว่า ไอ้ที่ให้กําหนดรูปกําหนดนามเนี่เพราะทิฏฐิมันเข้าไปอาศัยรูปอาศัยนามตรงนั้นอ่าเพื่อจะเอาเราออกเอาเราออกไม่งั้นเอาเราออกไม่ได้นี่แต่ว่าจะให้เราดูรูปดูนามทางตาหูจมูกลิ้นทางกายทางใจนั่นแ่ะเริ่มต้นปัญญาของเราไม่ไวเข้าไปดูอย่างนั้นไม่ได้ท่านจึงบอกให้เอาสี่ฐานนี่เพื่อฝึกให้สติปัญญามีความคล่องแคล่วเนี่ยสติปัฏฐาน ปฏิบัติหรือยังยังยังเรียนอยู่ยังเรียนอยู่พอเข้าห้องเข้าห้องอยู่คนเดียวแหละเอาแล้วตอนนี้ทํางานแล้วต้องปฏิบัติแล้วเดี <c oughs> ย๋ยววิ่งมาถามอาจารย์ว่ายังไงทงําไงไม่ได้แล้วตอนนี้ตอนนี้ต้องต้องทําเองรู้เองแล้วเนี่ยฮอ่าตั้งตั้งสติไปเลยเนียพอเราอยู่คนเดียวปุ๊บเองมาทําอะไรก็ไม่รู้สิอ่าเดี๋ยวกินแนละ้วแม้วันนึงมันชา้าเหลือเกินไม่รู้จะตื่นวันแต่ปีหนึ่งไม่รู้จะทําอะไร เร็วแต่รู้ปบแม้วันคืนหนึ่งมันแป๊บแปบแป บ, บเดียวอาทิตย์หนึ่งรั๊บเดียวขค่นั้นเอ น, นะถ้าไม่รู้ลรามันชาอ่าเพราะฉะนั้นนี่กําลังเรียนอยู่เวลาทํางานอีกอันหนึ่งเราเอาสติมาตั้งตั้งที่ไหนล่ะท่านบอกว่าที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมคราวนี้เราจะตั้งที่สติปัฏฐานข้อไหนเราก็รู้ว่า ไอจารีตอัจฉริยะใของเราเนี่ยมันคนกิเลสหนาปัญญาน้อยเอาที่รูปก็แล้วกันเอาที่กายานุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยและกายานุปัสนาสติปัฏฐานที่จะเป็นอารมณ์ของวิปัสนาเนี่ยอิริยาบทเนี่ยมันของหยาบของใหญ่มีอยู่เป็นประจำเนี่ยมันง่ายที่สุดเราไปรู้อิริยาบทย่อยเนี่ยังต้องคอยตามรู้อย่างเพราะมันไปถึงการกระพริบตาการกลืนน้าลายมีการหายใจเข้าให้ยใจออกเป็นอิริยาบทย่อยเหมือนกัน เพราะนั้นไอ้พวกนี้มันละเอียดรู้ยากดูไอ้ที่อาการใหญ่ๆรูปโตๆนั่นแหละแล้วก็มีอยู่เป็นประจำนะท่า น, น, น, นบอกให้ดูรูปเดินรูปยืนรูปนั่งรูปนอนเราก็ต้องเข้าใจแล้วมันอยู่ตรงไหนเราเราจะไปดูเขาเนี่ยถ้าเราไม่รู้อยู่ตรงไหนเราก็ดูไม่ถูกเหมือนเราเห็นตัวหนังสือเป็นแถวๆเนี่ยรู้ว่าตัวหนังสือแหละแต่ไม่รู้ว่าตัวอะไรเป็นตัวอะไรมันเป็นแถวๆไปหมเนี่ยมันต้องรู้ ว่ารูปเดินแค่รูปนั่งยังไงไอ้รูปเดินยังไงรูปนั่งรูปล่างอาการท่าทางยังไงรูปนอนอาการท่าทางยังไงรูปยืนอาการท่าทางยังไงท่านบอกไว้ละเอียดบอกว่ายะทายยะทาวาปนาสกายโยพณิโตโคติเมื่อเธอตั้งกายไว้ในอาการอย่างไรนั่นแหละเป็นอาการของรูปเดินรูปยืนรูปนั่งรูปนอนถ้าเรากําลังก้าวเดินไปกําลังก้าวเราไม่ได้ดูที่เท้าที่ขานะถ้าที่เท้าที่ขานี่ไม่ไม่เคยเดิน เดินต้องอยู่อาการเคลื่อนไหวที่ก้าวไปที pues, ่ก้าวไปเนี่ยเราก้าวไปแล้วก็รู้สึกในอาการท่าทางที่ก้าวสติสัมปชัญญะมันจับความรู้สึกในรูปที่อาการก้าวได้รูปก้าวรูปแก่ก้าวไปเนี่ยจับความรู้สึกได้ไอ้ความรู้สึกที่สติปัญญามันจับได้ในอาการเคลื่อนไหวเนี่ยรู้สึกได้นั่นแหละไอ้วัตถุที่เป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกนั่นก็คือรูปรูปเดินเราก็ดูความรู้สึกจับความรู้สึกได้ แม่รูปยืนรูปนั่งรูปนอนเมื่อเราสํารวมมีแล้วสติสัมผัญญะมันจับรู้อาการท่าทางที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนแล้วก็สามารถจะจับความรู้สึกในรูปยืนรูปเดินรูปนอนได้แต่รูปเดินนี่ง่ายที่สุดจับความรู้สึกได้ง่ายรูปยืนนี่ลองเป็นลําดับสองรูปนั่งยากหน่อยรูปนอนยิ่งยากสําหรับคนง่วงนอนนอนเก่งะพอนอนรับหัวถึงหมอนก็หลับปุ๋ยไปเนี่ย แต่บางคนกลุ่มนอนไม่หลับแล้วทำอย่างไงทั้งคืนเน่ยมาปฏิบัติแล้วนอนไม่หลับแล้วส่วนมากเป็นอย่างนั้นนอนไม่หลับเพราะว่าเราอยากจะรู้ไอ้รูปนอนมันเป็นยังไงอยากจะดูรูปนอนมันก็เลยทําให้นอนไม่หลับความจริงเราไม่ต้องอยากเขามีอยู่แล้วเราก็ตามรู้ไปถ้าไม่รู้จะหลับไปก็หลับไปตื่นขึ้นมาก็รู้ัน้หมาอย่าไปบงังคับบัญชาต้องปล่อยใจให้ตามรู้ตามอ่านไป ว่าเราจะไปบังคับจิตให้ไปตั้งจิจอยู่ในอารมณ์การนี้รูปเดินรูปยืนรูปนั่งรูปนอนเนี่ยท่านก็บอกไว้ว่ารูปเดินอยู่ที่อาการท่าทางที่เดินยาถายาถาวาภณักายโยปนิโตุโภติส่วนตัฐาตัฐานามัพะชานาติหมายถึงว่าเมื่อเธอตั้งกายไว้ในอาการอย่างไรก็ให้รู้ความเป็นไปของรูปกายที่ตั้งอยู่ในอาการอย่างนั้น ให้สติไปตั้งอยู่ในอาการที่มีอยู่ถนะ้านั่งอยู่ก็รู้ที่รูปนั่งถ้านอนอยู่ก็รู้ที่รูปกำลังนอนอยู่ถ้าเดินอยู่ก็รู้ที่รูปกำลังเดินถ้ายือนอยู่ก็รู้ที่กำลังยืนอยู่ยังไม่ต้องไปตามคิดเรื่องเกิดดับของเขายัางไม่ต้องไปตามคิดรู้ให้ที่มีอยู่นั่นเพราะต่อไปรูปนี้แล้วเขาจะเป็นครูเป็นอาจารย์สอนแบบรูปจริงๆเนี่ยก็จะเป็นอาการสอนแไม่เราไม่ต้องไปคิดให้นี่เราก็ตามรู้ความจริงของรูป รูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนเพราะตามรู้รูปเดินรูปยืนรูปนั่งรูปนอนเข้ามันรู้มากเข้ารู้มากเข้าสติสัมผชัญญักเขาคล่องขึ้นเขาไม่เฉดรู้เฉพาะอิริยาบดเดินยืนนั่งนอนท่านั้นแม้ก้มเงยเหลวไส้แหลกขวาเข้าไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังเขก็รู้อิริยาบด์ยอดแม้เรารับอารมณ์ทางตาหูจมูกลินกายล ใ, ใจเขาก็รู้ว่าถ้ารับอารมณ์ทาง จมูกนี่รูปกลิ่นรับอารมณ์ทางลิ้นี่รูปรสรับอารมณ์ทางกายนี่รูปแข็งอ่อนเย็นร้อนเข่งซึ้งเคลื่อนไหวถ้าไปรู้รูปนั่งนอนยืนเดินเนี่ยเป็นรูปนี่ไปดูรูปแต่นั่งนอนยืนเดินเนี่ยมันอยู่ในอิริยาบถแต่สัมปชัญญะปัปะอิริยาบถย่อยหรือรูปกลิ่นรูปรสรูปพุทธพารมเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในอิริยาบถใหญ่ๆสี่จะเรียกภายนอกรู้ภายในอิริยาบถสี่แล้วแล้วรูปอื่นๆที่เราสามารถรับรู้ได้ อ่าเช่นเป็นต้ว อ, อิริยาบทย่อยที่เขาจะเกิดต่อจากอิรยาบทใหญ่นี่สติสัมัสชันยะคร่องแล้วก็รู้ทันนี่เป็นพระหิทธาวาในอิริยาบทใหญ่ก็ดีในอิรยาบทย่อยก็ ด, ยยกดีเรียกว่าอัชตาพระหิทธาวาทั้งอิริยาบทใหญ่อิรยาบท ย, ย่อยพอรู้อิรยาบทใหญ่อิรยาบท ย, ย่อยรู้อาการของรูปคร่องแคล่แล้วการนี้ท่านก็บอกว่ากล่าวต่อไปว่าสมุทญาธรร ม, มา นุปัสสีวากายสมิงวิหารติวิยะธรมมานุปัสสีวากายสมิงวิหารติสมุททะยวิยะธรมมานุปุปสนาวากายสมิงวิหารติย่อมเห็นความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเห็นความดับไปเป็นธรรมดาเห็นทั้งความเกิดขึ้นและความดับไปเป็นธรรมดาของรูปของนาม ก็เป็นธรรมดาของเขาเป็นธรรมชาติของเขาตอนนี้ปัญญาก็เข้าไปถึงวิปัสสนาแล้วปัญญาก็เห็นความตืดิดทว่มดับของเขาแล้วลท่านยังว่าต่อไปว่าไอ้กายนั้นศนะักดิ์ว่าเป็นฐานรองรับของอารมณ์ไอ้สติแตเพียงอาศัยระลึกรู้เนี่ยไอเราไม่มีหรอกไอกายเนะี่ยเป็นฐานรองรับของอารมณ์ไอสติเนี่ยเป็นตัวระลึกรู้เท่านั้นนหะทั้งกายทั้งสติมันก็ไม่ตั้งมัน่น เพราะนั้นอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆเลยมันไม่มีสาระไม่มีแก่นสารนี่เรารู้อย่างนี้แล้วก็จะรู้ว่าไอ้รูปนามขาน่าที่เราหลงยึดไว้ว่าเป็นอัตราตัวเรายึดญาติพี่น้องสิงของต่างๆทั้งหลายว่าเป็นของของเราเนี่ยมันไม่มีสาระนี่ปัญญาที่เราไปเห็นความจริงอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะไปเห็นตัวเราเองเห็นคนนอกเห็นตัวเราเองคนอื่นเนี่ยจึงไม่อยู่ในฐานะที่จะเป็นเรื่องของการเจริญสติปัฏฐาน นี่เพราะนั้นอา่อาจารย์แม่ท่านบอกเนี่ยความเห็นของผู้แปลเขาแปลกันอย่างนั้นเขเป็นคณะบุคคลแต่นี่ฉันไม่เห็นด้วยกับเขาหรอกเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่เรากระจายรูป ก, กระจายนามออกไปแล้วไม่มีตัวตนคนศัพท์เราเขาแล้ว ย, ยิ่งเจริญวิปัสนาไปมากๆมันยิ่งหมดไอเราเขาไม่มีหรอกแล้วจะไปรู้ว่าทั้งตัวเราเองเป็นยังไงคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นนี่มันไม่อยู่ในฐานะที่จะเป็นได้นะ ก็เราจะเอาตัวเราออกเนี่ยเอาตัวเราออกคนอื่นก็ไม่มีเหมือนกันเอาตัวเราออกได้คนอื่นก็ไม่มีเหมือกันพอรู้แล้วตัวตนคนสัตว์เราเขาไม่มีเราไม่มีคนอื่นก็ไม่มีรรนนเหมืมมมนอนกันคือไม่ต้องเปรียบเทียบกันถ้าเปรียบเทียบกันนันก็เป็นการคิดนึไม่ได้อยู่ในปัจจุบันอารมณ์ถ้าอยู่ปัจจุบันอารมณ์ไม่มีการคิดนึกอันนี้แหละก็เป็นไวยะของการสติปัฏฐ ot. ที่เราจะต้องอบรมสติอบรมปัญญาไปเพราะฉะนั้นเราก็สราบ ว่าตัวฐานที่ตั้งของสติที่เราจะนำไปใช้ในการปฏิบัติก็คืออิริยาบถปัปพระรูปเดินรูปยืนรูปนั่งรูปนอนนีรูปเดินรูปยืนรูปนั่งรูปนอนรูปเดินยืนนั่งนอนนั้นรูปใดรูปหนึ่งนั้นต้องกำลังปรากฏอยู่เฉพาะหน้าที่เราจะใช้เป็นฐานที่ตั้งของสติต้องมีอยู่เฉพาะหน้าจึงบอกว่าห้ามคิดนึก น้ำคิดนึกนี่ไม่ได้มีอยู่เฉพาะหน้าแล้วปัญหาเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรารู้อารมณ์ที่ปรากฏเฉพาะหน้าของที่มีอยู่เราจะรู้ได้ไหมก็จะต้องรู้ด้วยความรู้สึกด้วยสติสัมปชัญญะก็ไปจับรูปที่กำลังปรากฏอยู่ด้วยความรู้สึกจึงบอกว่าสติสัมปชัญญะที่จะจับความรู้สึกของรูปอิรียบที่กำลังปรากฏอยู่นี่ ผู้ปฏิบัติจะจับความรู้สึกในรูปเดินง่ายที่สุดก้าวไปรู้สึกก้าวไปก็รู้สึกก้าวไปก็รู้สึกเนี่ยสติสัมผัญแยะจับสภาวะของรูปเดินนี้ครับพอหยุดเดินแล้วก็มายืนเดี๋ยวเราพอรู้สึกสังเกตที่ผมเคยให้สังเกตความรู้สึกแต่เราจับความรู้สึกไม่เป็นสังเกตสติสัมผัสญญญแฉนยะเราจับสภาวะของรูปไหล่ตั้งแต่ปลายนิ้วมือที่ห้อยไปรู้สึก แม่ท่อนแขนแม้ที่ไหลท่ที่คอที่ศีรษะรู้ทั้งตัวเลยรู้สึกทั้งตัวรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่เราจับความรู้สึกในรูปที่นี่เราจับความรู้สึกในรูปเดินเป็นรูปนั่งเป็นรูปยืนเป็ น, ป น, เ, ปนเดี๋ยวรูปนั่งรูปนอนก็เหมือนกันถ้าสติสัมปชัญญะเขาจับสภาวะของรูปได้เดินยืนนั่งนอนนี่เขามีสภาวะรับรองอยู่พอเราจับอันใดอันหนึ่งได้เดี๋ยวก็เข้าใจหมดทุกอันทุกอันนี่เราดูรูปถูกรูปที่นี้ด้วยสติสัมปชัญญะ แล้วมาดูรูปถูกรูปแล้วอย่างไงก็จะต้องตามอ่านตามรูปเขาเรื่อยไปเพราะฉะนั้นในยะของวิธีวิธีการระดับการปฏิบัติหรือวิธีการกำหนดอารมณ์เนี่ยท่านจึงแสดงไว้นนี้ก็บอกโดยสังเขปอยู่ในหน้าที่หน้าที่หกในในหน้าที่ห้านี่การเจริญกายานุปัสนาสติปัฏฐาน กายานุปัสนาสติปัฏฐานเฉพาะในอียริยาบทปปะพระตามพระบาลีบอกว่าปู่นาจะพรังพิกขเวขัดฉันโตวาขัดฉามิติประชานาชนบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกหือนอกจากอนาพานาปาะปปะพระข้างต้ น, นันเป็นอนาพานาสติียริยาบทนี้เป็นข้อสองเป็นลำดับที่สองดึงบอกว่าปู่นาจะพรังพิกขเว คัดฉันโตวาคัดฉามิติภาชานาติเมื่อเดินอยู่ก็รู้ชัดวารูปเดินทีโตวาทิโตมหิติประชานาติหรือว่าเมื่อยืนอยู่ก็รู้ชัดวารูปยืนนิสินโนวานิสินโนมหิติประชานาติหรือเมื่อนั่งอยู่ก็รู้ชัดในรูปนั่งสยานโนวาสยานโนมหิติภาชานาติหรือเมื่อนอนอยู่ก็รู้ชัดวารูปอนอนยะท า, า, าย وم, ะทาวาปณสกาโยปณิโตโหติ อันหนึ่งเมื่อเธอนั้นเป็นผู้ตั้งกายไว้แล้วอย่างใดอย่างไรตถาตถานามประชานตาิก็ให้รู้ชัดในอาการแห่งกายที่อย่างนั้นอย่างนั้นให้รู้ที่อาการที่มีอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยยังไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องเกิดเรื่องดับอะไรเขาหรอกเอาเท่าที่มีอยู่แล้วก็เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจะต้องเข้าใจว่ารูป นั่งรูปนอนรูปยืนรูปเดินนะ่ะอยู่ตรงไหนมีอยู่ตรงไหนนี่เราก็ทราบตามพระบาลีที่กล่าวไปแล้วะ่ะเมื่อตั้งกายไว้ในอาการอย่างไรเราก็รู้ความเป็นไปรูปกายอย่างนั้นอย่างนั้นอยู่ในอาการเดินก็รู้อย่างนั้นในอาการอย่างนั้นรู้ที่อาการที่ท่าทางเวลายืนก็รู้ในอาการท่าทางอย่างนั้นที่ยืนอยู่ เวลานั่งก็รู้ในอาการท่าทางที่นั่งเวลานอนก็รู้ในอาการท่าทางที่นอนนี่เราต้องเข้าใจฐานที่ตั้งของสติก่อนว่าผู้ปฏิบัติจะต้องเข้าใจรูปนั่งรูปนอนรูปยืนรูปเดินว่ามีอยู่ตรงไหนเพื่อจะใช้เป็นฐานที่ตั้งของสติเอาสติไปละลึกลงก็อยู่ที่ตรงลักษณะที่นั่งอาการหรือลักษณะอาการที่นั่งที่นอนที่ยืนที่เดินบอกอยู่ในอาการนั้นๆ เมื่อเข้าใจรูปอิริยาบทดีแล้วเนี่ยก็พึงสำรวมสำรวมนี่ก็โนมโยโนิโสมนสิกันเราจะทำงานและจะตั้งสติที่รูปอิริยาบทของเราที่ตั้งอยู่ในอาคารนั้นเช่นกำลังนั่งอยู่สติก็ตัวระลึกระลึกรูก้ระลึกเอาไปในอาการท่าทางที่นั่งระลึกไปอาการท่าทางทนีง้แต่ว่าการระลึกอาการท่าทางที่นั่ง บางทีแรงไปเราต้องสังเกตแรงไปท่านผู้หนึ่งไปซ่อมๆทําดูบอกวหวมันอึดอัดกลุ้มใจอยาให้ใจม่ออกไปหนึ่งอย่าไปบังคับรูปจะไปนั่งเกรงเพื่อจะให้สติมันตั้งมั่นไม่ให้บังคับรูปอาการที่สองไม่ให้บังคับน้ำไอตัวปฏิบัติเนี่ไม่ให้บังคับว่าสติจะต้องอยู่ที่อาการท่าทางที่นั่ง ให้รูปกายเราเป็นไปตามปกติจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินท่าไหนที่เราเคยใช้อยู่ตามปกติไม่ต้องไปเกรงไม่ต้องไปตั้งท่าทางเพื่อจะรองรับการกำลับรูปโดยมากผู้ปฏิบัติใหม่ๆจะเป็นอย่างนี้ทุกคนจะไปตั้งอาการท่าทางไปเกรงรูปไปเนี่ยเราต้องดูว่าเราเกรงหรือเราปล่อยไปตามปกติเพราะรูปกิริยาบทนี่เขามีอยู่แล้วตามปกติ เราขาดแต่การดูเขาเท่านั้นเองแในเวลาดูเนี่ยไม่ต้องไปจับเขามานั่งนิ่งๆดูหรือไม่ใช่ไปทาขึ้นมาเพื่อดูถ้าทําขึ้นมาเพื่อดูนี่ก็ผิดอีกเหมือนกันเราจะนั่งเพื่อจะดูรูปนั่งที่เก้าอีกหรือจะเดินเพื่อดูที่รูปเดินเนี่ยไม่ได้เหมือนกันไอ้ความต้องการมันมีแล้เรื่องัญหามันฉาบทาอยู่เราจะเดินเพื่อจะดูรูปเดินหรือจะนั่งเพื่อจะดูรูปนั่งหรือจะยืนขึ้นเพื่อดูรูปเดินไม่ได้ ก็หมายความว่าเมื่อกายตัいい้งอยู่ในอาการอย่างไรอย่างไรก็ให้รู้ความเป็นไปของรูปกายที่ตั้งอยู่ในอาการอย่างนั้นเราตามรู้อาการเป็นไปของเขาส่วนรูปเขาเป็นไปตามปกติเป็นไปตามปกติเนี่ยเขาเป็นไปตามปกติอย่างไรในปัจจุบันเป็นอย่างไรเนี่ยเราก็ให้เขาเป็นไปตามธรรมดาเคยนั่งอย่างไรก็นั่งอย่างนั้นเคยยืนอย่างไรก็ยืนอย่างนั้นเคยนอนอย่างไรก็นอนอย่างนั้นไม่ต้องไปจัดแจงท่าทางให้ครับเพื่อให้เขาเป็นไปตามธรรมดาตามปกติ อย่าไปเกรงอย่าไปบังคับรูปพอกลับเกรงบังคับรูปเนี่ยเดือดเครียดเลยใจเครียดถ้าไม่เกรงไม่บังคับรูปแล้วสติอย่าไปบังคับสติให้สติให้ตั้งอยู่ในอารมณ์นี้ให้ได้ถ้ากันคือนอนไม่หลับหลายคนเพราะเราไปปฏิบัติเครียดแต่ตึงไปไม่ปล่อยไปตามธรรมชาติธรรมดาเพราะนั้นวิธีการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยท่านให้ตามรู้ไม่ใช่ไปทําขึ้นมาเพื่อรู้ ตามรู้จนกระทั่งสติสัมชัญญะเนี่ยเขารู้คล่องแคล่วแล้วก็สามารถจับทันเหมือนเราอ่านหนังสือหัดอ่านหนังสือใหม่ๆต้องคอยสะกดตัวพยัญชนะสระตัวสะกดวรรณยุกอะไรจะต้องคอยสะกดตัวแต่ว่าในทางปฏิบัตินั้นของจริงเขามีอยู่ของจริงม่อยู่เราไม่ได้ไปจดจาบัญญัติของจริงเขามีอยู่แล้วเราไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้นแหละ ไม่จ้องไปสะกดตัวสะกดอะไรเหมือนหนังสือเราเราไม่อันนที่ตามรู้เขาแค่นั้นเองของจริงเขามีอยู่แล้วอาการเดินยืนนั่งนอนเนี่ยนามรูปเขาจัดแจงกันเรียบร้อยแล้วเราเดินยืนนั่งนอนเนี่ไหนเวทนาอะไรมันเป็นเวทนาอ ะ, อะไรปวดอะไรเจ็บที่ไหนที่รูปต้องมาโยนดูที่รูปไม่ดูที่เวทนาก็ถึงว่าเวลาทุกเกิด ทุกในเวทนานี่นนนทุกเกิดต้องถามตัวเองว่าอะไรมันเป็นทุกไอ้นั่งท่านี้มันเอี้ยวตัวนี่มานานแล้วรูปนี้มันเป็นทุกต้องคลี่คลายเปลี่ยนแปลงมันออกไปรูปเป็นทุกเพราะเราดูกายในกายเนี่ยกายกายานุปัสสีวิหารติถ้าเราดูรูปอยู่รูปเป็นทุกแล้วเปลี่ยนย้ายไปดูเวทนานี่ผิดผิดไม่ตามคําสอนของพระเจ้าแล้วท่านห้ามดูเวกายในเวทนาห้ามดูกายในจิต ต้องดูกายในกายกายเยกายานุปัสสีวิหาริให้พิจารณากายในประเภทของกายถ้าดูกายในเวทนาเนี่ยเนั่งปวดปุ๊บย้ายไปดูเวทนานผิดหรือถ้าดูรูปนั่งเนี่ยใจมันฟุ้งไปอย่างอื่นถ้าไปตามรูปนามฟุ้งเนี่ยผิดเหมือนกันไม่ได้ดูกายในกายเพราะฉะนั้นไอ้ความฟุง้งความเผลอเนี่ยเรารู้สึงตกไปแล้วตั้งใหม่ไอ้เวทนาเกิดขึ้นเวทนาที่ไหนรูปอะไรต้องเข้าหารูปเข้าหารูป เราฟุ้งไปไอ้น้ำมันฟุ้งไปแล้วก็ปล่อยตามใจตามฟุ้งไปเรื่องอะไรละ่ะเดี๋ยวไปฟุ้งต่ออีกครันี่มันก็ไม่ตั้งอยู่ที่รูปเพราะฉะนั้นเรื่องน้ําฟุ้งเนี่ยน้ํามันละเอียดมันเป็นธรรมมันเป็นธรรมานุปัสนาสติปรรัฏฐานปัญญาเราน้อยเราดูรูปหยาบหยา บ, ยบเราฟุ้งไปไม่ต้องไปคิดเรื่องฟุ้งอะไรอ่ะตกไปแล้วตั้งใหม่ตกไปแล้วตั้งให ม, แหม่แต่ถ้าเวทนาเกิดขึ้นปุ๊บต้องรู้ว่าใครเป็นทุกข รูปอะไรเป็นทุกข์นั่นแหละแล้วจับมาดูที่รูปพอได้รูปอะไรอันหนึ่งอันใดเนี่ยเราก็ดูถูกตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนคราวนี้การที่ให้ดูรูปเนี่ยเพื่ออะไรก็เพื่อนอกจากแยกตัวตนคนสัตว์เราเขาออกไปแล้วนี่ประกันเพื่อละส ก, กายทิฏฐิยังเห็นความจริงของรูปครับเพราะถ้าเราไม่พิจารณาียรยาบทแล้ว ไม่เห็นทุกข์แต่ถ้าพิจารณาอิรยาบทแล้วจึงเห็นทุกข์เพราะนั่งคาคๆจะยิงนกได้สองตัวทีเดียวขั้นแรกก็ละอัตตาตัวตนออกดูรูปไม่ใช่เราดูรูปพอจับรูปได้แล้วดูเขา้ต่อไปไอ้ตอนนี้ไม่ใช่เราแล้ ว, ลวรูปนั้นเราดูรูปนั่งรูปนั่งรูปนั่งต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเขาบอกไอ้รูปนั่งที่แยกออกมาจากตัวเราเนี่ย เขาบอกทุกข์ให้แล้วรูปนั่งเป็นทุกข์นี่เราก็เลยไล่ความคิดตรงกับที่พระพุทธเจ้าท่านรับสั่งไว้ว่าในไตร ล, ลักษณ์เนี่ยการที่เราไม่เห็นไตร ล, ลักษณ์เนี่ยเพราะสัน ต, ติความสืบต่อกันอย่างรวดเร็วของรูปของนามเนี่ยคดับรวดเร็วปิดบังอานิจังเพราะสันติปิดบังอันิจั ง, เ พ, ตต ง, จงเพราะไม่ได้พิจารณาอิริยาบทปิดบังทุกข์ปิดบังทุกข์ เพราะไม่ได้ทำลายคณะสัญญายึงปิดบางอนัตตาเราก็เห็นตามปกตินี่คนทั่วไปถ้าไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าเราเนี่ยเที่ยงเรานี่สุขเราเนี่เป็นตัวตนพวกนี้วิปลาสหมดมีสุขข่าววิปลาสอัตต า, าวิปลาสนิจจาวิปลาสหมดเพราะนักการปฏิบัตินี่จึงบอกว่าหลักคำสอนในพระศาสนาเนี่ย ละเอียดละเมียดละไมลึกซึ้งเราต้องเข้าใจด้วยและการปฏิบัตินั้นถึงจะได้ผลถึงจะดูถูกดูถูกต้องไม่ต้องไปอยากไอ้ตัณหาเราไม่ต้องอยากเห็นรูปน้ำเกิดดับนะรูปนามเกิดดับ่นะมีท่านหนึ่งมาปฏิบัติหลายเที่ยวแล้วด้วยเบื่อแล้แลจาย์ทำไมล่ะไม่เห็นมันได้อะไรสักทีหนึ่งไม่ก้าวหน้าสักทีหนึ่งคุณจะเอาก้าวหน้ายังไงล่ะอ้ามันก็ดูรูปเป็นทุกข์เป็นทุกข์กอยู่เลยล่ะ เออแล้วอยากก้าวหน้าแล้วแล้วมันเห็นไว้ว่าไอ้รูปอื่นไม่ใช่รูปที่เราดูอยู่มันก็เป็นทุกข์ไม่เห็นไม่เห็นแล้วถ้าเราอยากต้องการให้ได้มีความรู้ก้าวหน้าไปเนี่ยเราจะดูรูปนั่งก็เห็นทุกข์ล่ะมันเบื่อมันไม่ได้ติดตามดูความละเอียดของเขาไอ้รูปนั่งที่เป็นทุกขนะ์นั่นแล้วเราทํำยังไงละ่ะเราต้องเปลี่ยนยาบทเพื่อแก้ทุกข์นี่พอเปลี่ยนยาบทเพื่อแก้ทุกข์เห็นไหมว่าไอ้อาการที่เปลี่ยนยาบทนี่มันก็เป็นทุกข์พอแกจะเอา เห็นเกิดดับก็แล้วเนี่ยมันก็เพ่งเลงอยู่เลยไอ้ความต้องการตันหามันเข้าไปปิดบังไปเลยไม่ให้รู้ตามความจริงของธรรมชาติเราไม่ต้องไปอยากได้อะไรหละเขามีรูปอะไรนามอะไระเราก็ตามรู้เข้าไปธรรมดาเนี่เดี๋ยวรูปนามเขาจะสอนเราเองรูปนามเนี่ก็เป็นครูบาอาจารย์โดยตรงก็จะสอนเราเองเราไม่ต้องไปสอนเขาหรอกเพราะไอ้เราเนี่ยมันโง่อยู่แล้วเนี่ยไปสอนรูปสอนนามก็เข้าไม่ได้ให้รูปให้นามเขาสอนเราก็าสําคัญให้เราวางใจให้มันถูกตรง ตามหลักคําสอนในพุทธศาสนาที่พระเจ้าตรัสสอนไว้เถอะแล้วเราจะได้รับความเข้าใจที่ถูกที่ตรงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูรูปอิริยาบทเพราะียรยาบทปิดบังทุกนั่นเองคราวนี้เมื่อเราดูรูปนั่งเห็นรูปนั่งเป็นทุกข์นี่เราก็เป็นไงรับรองคําสอนของพระเจ้าไหมรับรองเนี่ยท่านสอนจริงสัจธรรมเพราะที่สอนผิดไปจากความเป็จริงไม่มี่อพอดูรูป อิรยาบด์ครูปอิยาบดรูปนั่งเป็นทุกข์เดี๋ยวไปดูรูปนอนค่รูปนอนก็เป็นทุกข์รูปยืนก็เป็นทุกข์รูปเดินก็เป็นทุกข์มีรูปอิริยาบดใดบ้างที่มีสุขไม่มีหาไม่ได้มีแต่ทุกข์เท่านั้นเพราะนั้นทุกข์นี่จึงเป็นสัจจ์เป็นทุกขะสัจจ์ถ้าเป็นสุขแล้วล่ะก็วิปลาสเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของเราเนี่ยถ้าเราตามกําหนดรู้ความจริงของทุกข์แล้วล่ะก็ทัาหามันไม่เข้า ตัณหามันไม่ชอบอารมณ์ kleine, ที่เป็นทุกข์ไม่ชอบแต่ใครจะเกิดขึ้นอะกิเลสอะไรจะเกิดขึ้นโทสะกิเลสมันเกิดแต่ถ้าเรามีสติปัญญาไปตามรู้ความจริงว่าธรรมชาติของรูปนี่ยเขาเป็นทุกข์อย่างนี้แหละจะอยู่ในท่านั่ง ท, ท, ท, ท, ท, ท่านอนท่ายืนท่ายืนก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นปัญญามันยอมรับความจริงนี่ธรรมชาติความจริงอย่างนี้นพอปัญญารู้ความจริงว่ารูปนั่งเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์เดินเป็นทุกข์เดินเป็นทุกข์แล้วโอ้ เราปฏิบัติตามทางที่พระพุทธเจ้าเดินมาอย่างเนี้ยปฏิบัติถูกทางที่ตันแล้วเพราะฉะนั้นเรามีอารมณ์ที่เราอ่านทุกขได้มากเท่าไหร่แต่ก็คือการปฏิบัติของเราถูกทางแล้วแต่ถ้าเราเกิดความรู้สึกขึ้นมารู้สึกสบายขึ้นมาเมื่ อ, อไรผิดทางแล้วตกทางไปตันหามันเข้าอาศัยในความสุขอารมณ์ที่เป็นสุขครับเพราะนั้นที่ทุกขเวทนาเกิดรูปอะไรเป็นทุกข์แล้วเนี่ยที่เราไม่เบื่อหน่ายเพราะอะไร ก็ปัญญาเข้าไปสนับสนุนว่าการที่เราเข้าใจถูกรู้ความจริงอย่างนี้เนี่ยเป็นหนทางปัญญาที่พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเดินมาทางนี้ทั้งนั้นแหละท่านต้อ ง, งรู้อย่างนี้ว่าที่จะไปเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตานท่านต้อ ง, งรู้อย่างนี้ว่านี่ก็ทําให้เราเกิดกําลังใจขึ้นมีกําลังใจทนได้ทุกไม่หนักหนามันเริ่มตั้งแต่เราไม่ยึดเราไม่ยึดตัวเราไม่ยึดตัวเรา บางคนยึดตัวเราพอนั่งปุ๊บเปลี่ยนียาบทพปุ๊บมันทุกข์อีกแล้วพอไปเดินปุ๊บทุกข์อีกแล้วเนี่ยมันทุกข์ทียิบเลยทีเดียวทำไมยังไม่ทันหายทุกข์เลยเปลี่ยนยังไม่หายทุกข์เลยมันทุกข์อีกแล้วเพราะอะไรเพราะเรายึดรูปเลยเป็นเราเป็นของเราถ้าเรายึดรูปเป็นเราเท่ า, า, า, ปป า, ทาไหร่เปลี่ยนยังไงยังไงมันก็เป็นทุกข์หมดทุกท่าทุกทา ง, ททางาเราต้องมนสิการไม่ใช่เราน้รูปเนี่ย เดินก็รูปเดินให้รู้ชาติว่ารูปแค่เดินเวลายืนก็รู้ว่ารูปยืนเวลานั่งก็รูปนั่งเวลานอนก็รูปนอนไม่ใช่เราแต่ถ้าเวลาเราดูแล้วเนี่ยรูปนั่งเป็นทุกข์แล้วรูปนั่งเป็นทุกข์แล้วถ้าลืมไปทิ้งไว้รูปนั่งเป็นทุกข์แล้วมันเกิดเอาความรู้สึกว่าเราที่เคยชํานาญอยู่เนี่ยเราเราเนี่ยเรานั่งเป็นทุกข์แล้วนะเรานั่งเป็นทุกข์ต้องเปลี่ยนไปเพื่อแก้ทุกข์นี่รู้ด้วยปากแค่นั้นเองไอ้ใจมันไม่ได้ตามไป พอเปลี่ยนไปเพร่อแก่ทุกข์พอเปลี่ยนไปยืนปุ๊บอุ้ยเมื่อยแล้วเสร็จเนี่ยมันอยากให้รูปเราหายพอเปลี่ยนใหม่ก็ทุกข์มันยังตามไปเลยไปนี่เพราะไม่ได้แยกรูปจากเราไม่ได้แยกรูปจากตัวเองเราต้องพิจารณาให้ดีถ้าเราตราบใดที่เรายังไม่ได้แยกความรู้สึกว่ารูปก็เป็นรูปนะไอ้น้ําก็เป็นน้ําอยู่คนละส่วนกันแต่พอรูปก็เกิดทุกข์แล้วไอเราไปรับรู้เขาเอาละเสร็จเลยไม่ว่าจะเปลี่ยนท่าไหนท่าไหนเป็นทุกข์ดังนั้นเนี่ย บางรายพูดเข้าใจพอเสร็จแล้วดีใจเออมันมันไม่เป็นทุกข์ตามไปหรอกแต่มันไม่หายสนิทไม่หายสนิทบอกอยากจะเอาสบายทันทีเรยบอกไม่ได้หรอกอ่าแสดงว่าเรายังจักเขาไม่หมดยังจักเขาไม่หมดมันยังมีความผูกพันอยู่ไอตัวเราเนี่มันเอาอกอกยากอันนี้แหละเราจึงต้องฝึกขัดครั บ, ร, บรู้สึกตัวทั่วพร้อมก็รู้สึกในอาการทาทางของรูป ตั้งกายไว้ในอาการอย่างไรก็รู้สึกตามอาการท้าทางรู ป, รปนั่งรูปนอนรูปยืนทั่วพร้อมแต่รูปเดินเฉพาะที่ก้าวไปแต่ถ้านั่งนอนยืนเดินเนี่รู้สึกทั้งอาการทั่วพร้อมไปและเวลาปฏิบัติจะบอกให้รู้จักพูดอย่างนี้ยังไม่รู้จักลเพราะไอ้นี่มันต้องลงสนามปฏิบัติลงมือปฏิบัติจริงๆและจะรู้จักว่าความรู้สึกตัวเป็นยังไงแต่ถ้าเรายังไม่ได้ปฏิบัติ เนี่ยยังนั่งฟังปริยัติอยู่ยังไม่ได้เพราะว่าไอ้ความรู้จากการปริยัตินี่มันระดับหนึ่งก็เรียกสุดตาปัญญาจินตาปัญญาแต่เมื่อเราปฏิบัติแล้วภาวนาปัญญามันเกิดมันจะจับสภาวะของรูปนั้นได้จะรู้สึกตรงอาการท่าทางที่เป็นรูปต้องให้เวลาเขานิดเพราะฉะนั้นเวลาคนมาปฏิบัติเนี่ยขอปฏิบัติสามวันอี้สองวันเนี่ยไออารมณ์ทางบ้านมันยังไม่จกัก มาปุ๊บเดี๋ยวก็มันฟุ้งกลับไปบ้านมาตั้งใหม่กลับไปบ้านมาตั้งใหม่เอาออกกรรมาฐานทั้งหลายหมดแล้วเนี่ยพอเราเข้าไปวันหนึ่งวันเนี้ยสังเกตดูไอตอนเข้าไปเนี่ยยังธรรมทะทแแมงอยู่ยังตั้ง อ, อกตั้งใจดีแต่พอจับอารมณ์ไม่ค่อยได้นับวันวันหนึ่งแล้วนะเหลืออีกหกวันพอวันที่สองอีกเหลืออีกหนะ้านะแล้วยังนี้เราเสร็จแล้วนี่ยยังนี้ือเสร็จแต่ ไอ้ใจมันค่อยจะออกแล้วเวลาที่เราจะออกเนี่ยอย่างพรุ่งนี้มะรืนนี้จะออกเอาแล้วมันทิ้งหมดแหละออกไปแล้วเนี่ยไอ้กิเลสในใจของเราเนี่ยมันละเอียดต้องคอยระวังให้ดีกิเลสในใจของเราเท่านั้นแหละไม่ใช่ใครมาทําออกกิเลสเขาชวนออกเพราะธีบ่าบอกว่าที่เรามาอบรมกันเนี่ยกิเลสเขาชวนมานะกิเลสของเราบ้างกิเลสของผู้เขียวข้องบ้างเห็นไหมวันนี้กลับไปกี่คนอนะสองคน กิเลสของใครล่ะแม่แม่นี่หาลูกไม่เจอลูกถามว่าไม่ได้บอกแม่แล้วเปล่าบอกกับพี่สาวไวเอายุ่งเลยแล้วแม่หาลูกไม่เจอก็เลยอึดอัดใจเป็นโรคหัวใจโดยได้ชะตายอ่เป็นลมตายอะกลุ่มใจมากนอนไม่หลับนั่งบนอยู่ทั้งคืนผลสุด ท, ท้ายพี่สาวต้องพาวมารับกลั บ, ลบและใครอีกคนก็พอดีกลับไปด้วยคนหนึ่งที่มาด้วยกัน เลยได้โอกาสนะั่งขอกลับด้วยคนหนึ่งนะเออเราเป็นลูกเขาหรือไงไม่ใช่ลูกรรู้จักกันในยะกลบไปด้วยเออในใครขอกลับห่ะกิเลสของเราเองเนะมันได้โอกาสเออเนี่ยอยู่ข้างๆบ้านกันนั่งรถไกลก็เลยไปด้วยกันเลยกลับบ้านเลยกิเลสมันอยากจะกลับเพราะเหตุ น, นั่นแหละถ้าเราสรํารวมให้ดีๆแล้วล่ะก็เราจะรู้จักกิเลสของเราในใจ นอกจากเราดูรูปแล้วเนี่ยนะดูรูปนั่งนอนยืนเดินดัเดี๋ยวไอ้กิเลสอะไรมันมาบังคับบัญชารูปเราเดี๋ยวอะไรเวลาเจริญสติปัฏฐานเนี่ยทั้งตัวอารมณ์ด้วยทั้งผู้รู้อารมณ์ด้วยจะต้องอยู่ด้วยกันถึงจะถูกอ่าไอ้ตัวฐานของรูปนี่ก็แล้วแต่ี่เรากําหนดกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่ก็เป็นรูปอารมณ์เนี่ยเป็นรูปไอ้ตัวดูเป็นนามนามอะไรล่ะตัวดูเนี่ยนามอะไร นามอะไรเป็นตัวดูตัวคนทํางานเนี่ยนามอะไรสติปัญญาและความเพียรเนี่เป็นองค์คุณของสติปัฏฐานองค์ของสติปัฏฐานองค์นี่เขาหมายถึงว่าองค์ธรรมของสติปัฏฐานในองค์ธรรมของสติปัฏฐานจิตของเราเนี่ยมันก็มีองค์ของมันนะมีองค์ธรรมที่ประกอบกับจิต ถ้าจิตเป็นอกุศลเนี่ยอะไรลนะ่ะอกุศลอะไรโลภะหรือโทสะหรือโมหะนั่นแหละไอ้ตัวเหตุนี่แหละเขาจะประกอบกับจิตให้อกุศลจิตเราเกิดถ้าจิตเราเป็นกุศลมีองค์ธรรมของเขาเหมือนกันอาโลภะอะโทสะอาโมหะมีปัญญาครานี้ถ้าเราจะอบรมจิตให้ สงบให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวไม่ให้สัดสายไปในความโลภความโกรธเขามีองค์เหมือนกันวิตกวิจารณปีติสุเอกคตาองค์ของสมาธิเราจะเจริญวิปัสสนานี่ยเขาก็มีองค์เข้าเหมือนกันองค์อะไรอะองค์อะไรแปดอย่างองค์มักองค์มักแปดสัมมาทิฏฐ มีปัญญาสัมมาสังกัปปะเนี่ยวิตุกสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะเนี่ยวิรติเจสิกสามเป็นห้าแลลวสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิแต่ที่เราเริ่มกำหนดอารมณ์ใหม่ๆจะเจริญสติปัฏฐานกันเนี่ยมันยังไม่มีครบแปดมีตัวสติสัมมาสติสมาทิทฐิสัมปชัญญะ สัมมาวายามะตัวความเพียรมีสามตัวแต่ว่าสมาธิมีไหมมีมีทุกขณะจิตสมาธินี่ทุกขณะแต่สมาธินั้นยังไม่ถือเป็นองค์เพราะไม่ต้องการให้จิตนิ่งสงบต้องการเพียงสติให้ลรวลึกรู้อยู่อารมณ์ตามความเป็นจริงต้องการให้ปัญญาเข้าไปอ่านรูปอ่านนามให้ตรงความจริงอ่านรูปถูกรูปอ่านนามถูกนามแล้วมีความเพียรเพียรให้สติปัญญาเนี่ย อ่านตั้งอยู่บนฐานนั่นบ่อยๆรูปที่รูปบ่อยๆหรือรู้ที่นามบ่อยๆนี่เพราะนั้นไอตัวปฏิบัติเนี่ยตัวปฏิบัติอยู่ที่รูปหรือนามหล่ก อ, อยู่ที่รูปหรื อ, รอนามตัวปฏิบัติดูที่นามไอรูปนั้นเขาไม่ได้ปฏิบัติ ด, ด้วยนะเขาเป็นฐานรองรับคล้ายๆกับเราอ่านหนังสือเนี่ยคล้ายๆเราอ่านหนังสือนะะ อ่าไอ้ผู้เห็นก็คือตัวทำงานสติอ่าผู้ถูกเห็นก็คือรูปรูปเราเนี่นเองนี่ต้องอยู่ด้วยกันตัวสัมปชัญญะเป็นผู้เห็นเตัวสติก็เป็นผู้เห็นผู้ดูตัววิริยะก็เป็นผู้ดูเป็นตัวองค์มรรค่ะองค์มรรคองค์มรรคมี่ยกำลังจเจริญองค์มรรคอยู่แต่องค์มรรคยังไม่ครบแปดจะครบแปดเมื่อเมื่อไปแจ้งพรินิพพานถึงจะครบแปด แต่ตอนนี้ยังทํางานเพียงห้าเพียงห้าก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมม า, ว, มาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิวิรติยังไม่เข้าวิรติทั้งสามยังไม่เข้าวิธีจะเกิดขึ้นขณะที่มีหลภนิพพานเป็นอารมณ์แต่จริงๆเขาอบรมมาแล้ววิรติทั้งสามเขาอบรมมาแล้ว อบรมกำลังในการที่จะเว้นจากกายชุติจิตวิชีตุจริตมิชาชีพเนี่ยเขาอบรมไปแล้วเขาอบรมที่สัมมาสังคัปปะตรึกในอารมณ์ของรูปนามที่จะออกจากทุกขณะที่เรากำลังจเจริญสติปัฏฐานอยนู่กำลังดูรูปดูรูปดูรูปรูปนั่งรูปนั่งรูปนั่งรูปนั่งนั่นก็คือกำลังเพียรพยายามในการที่เว้น เว้นวาจีทุจริตเว้นกายทุจริตมากรรมตาเว้นสัมมาจีวะไม่ต้องไปทากิจการงานสแสวงหาอาชีพอะไรยในขณะที่ดูดแต่ว่ากําลังของวิริทีทั้งสามนี่ยังไม่มีกําลังเพียงพอที่จะจับอารมณ์นั้นได้เพราะวิริทีทั้งสามนี่ถ้าใครเรียนอภิธรรมแล้วก็รู้เขาเป็นนิยตตาเอกโตเขาจะเข้าพร้อมกันในขณะที่แจ้งผลิตพัน ถายังไม่มีปนิพพานเป็นอารมณ์เขาก็เพียงอุ่นเครื่องยู่อมไม่เฉยเฉยยังไม่เข้าไปประกอบนี่เพราะอาศัยสัมมาสังกัปปะเนี่ยเป็นปัจจัยอะไความด âm รีชอบด âm รีชอบนี่ก็คุ้มครองไม่ใช่เพื่อกายทุจริตไม่ใช่เพื่อวจีทุจริตไม่ใช่เพื่อมิจฉาจิตเนี่ยในในการงานขององค์มรรคก็เป็นย่งนังไงเพราะฉะนั้นธรรมะนี่ละเอียดสุขุมลุ่มลึกสุขุมลุ่มลึกนี่ บางคนเรียนองค์มรรคเรียนอะไรสอบได้ปริญญาปริญญาอะไรไม่เข้าใจเรื่องนี้ต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติและไม่เข้าใจเนี่ยเพราะนั้นความเข้าใจในธรรมะที่ดีมันต้องอาศัยเข้าใจได้ทั้งปริยัตปฏิบัติด้วยต้องสัมพัสครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจปริยัติไม่เข้าใจปฏิบัติมันก็ปฏิบัติไม่ถูกพูดไม่ถูกปฏิบัติไม่ถูกเพราะฉะนั้นอันนี้แหละ ขั้นแรกโยนิสโสมนสิกันที่จะทำงานเนี่ยยังทำงานทันทีไม่ได้นะยังทำงานทันทีไม่ได้เราจะไปปฏิบัติเนี่ยนะเราต้องโยนิสโสมนสิกันเวลาปฏิบัติเนี่ยใครมาปฏิบัติผมจะถามว่ามาปฏิบัติทําไมคุณมาทไมาไมคนก็ไม่เข้าใจเขามาทําไมปฏิบัติ บางคนเคยปฏิบัติไว้ไม่เคยเคยปฏิบัติที่อื่นเนี่ยตอนนี้เห็นที่นี่ใกล้ๆเลยก็ามาบางทีต้องสอบถามกันถ้าไม่เคยปฏิบัติไม่เคยเข้าใจรูปนามตามนยายญาตของอขาพิธรรมนี่ยเราบางทียังไม่อยากรับเพราะเหนื่อยต้องมานั่งอธิบายกันแต่ละคนละคนถ้าเขาเข้าใจเนี่ยเขารู้มาเข้าหลายเที่ยวแล้วใช่ไหมฮะมาปฏิบัติเนี่ยเพื่ออะไรมาปฏิบัติทําไม นะเพื่อให้จิตสงบใช่ไหมไม่ใช่นะเพื่อให้จิตสงบใช่ไหมส่วนมากที่เข้ามาปฏิบัติเนี่ยเขาบอกว่าให้จิตมันไม่เคยสงบอยากเรื่มาให้จิตสงบสงบผิดแล้วนิโยนิโสมนสิการไม่ถูกโยนิโสมนสิการไม่ถูกแล้วยโยนิโสมย่างไงถึงจะถูกล่ะมาปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติวิปัสสนานะประโยชน์ของวิปัสสนาเนี่ยเขาเพื่ออะไร เพื่ออะไรวิปัสนาเนี่เพื่ออะไรเพื่อพ้นทุกเพื่อพ้นจากการเกิดไม่ต้องเกิดนาะเพื่อพ้นทุกเนี่ยเนี่ยการนี้พอบอกคนที่มาอยากจะปฏิบัติเพื่อหายใจสงบบอกไม่ใช่แล้วยังไงถึงจะใช่อะจารเราพอปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกนั่นแหะก็อยากอย่างนั้นเนี่ยเรารู้ไหมความปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกยังไงก็ให้ได้รับความสุขอ้าวไม่ใช่อีกแล้วไม่ใช่อีกแล้ว ปฏิบัติเพื่อให้ได้รับความสุขนี้ก็ไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นะพ้นทุกข์คือไม่เกิดอุ้อย่างนั้นยัง ไ, ไม่เอาล่ะเนี่ยนะอย่างนั้นยังไม่เอาถ้ามาปฏิบัติเพื่อความไม่เกิดเนี่ยฉันยังไม่เอาล่ะบางทีกลับบ้านเลยกลับยังไม่เอาเพราะไม่เคยเข้าใจต้องอยู่นิโสอันนี้ก่อนเรามาปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยคราวนี้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยจะต้องทํำยังไงล่ะ ก็จะต้องปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าในสติปัฏฐานนั่นแหละท่านบอกมีหนทางเดียวคือสติปัฏฐานสี่เนี่ยหนทางอื่นไม่มีหล่ะสติปัฏฐานสี่นี่มีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมแล้วเราจะไปทางไหนละ่ะทางกายหรือทางเวทนาหรือทางจิตทางธรรมทางกายพิจารณาอยรยาบทตระภะนี่พอเราจะมาปฏิบัติในการจเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเราก็ ตั้งเป้าหมายไว้แล้วขเขเรียกโยนิโสมาสิกันจะต้องใส่ใจให้มันตรงกระทําไว้ในใจให้มันตรงต่อเหตุผลตามความเป็นจริงเราจะมาเจริญสติปัฏฐานปรพระไหนข้อไหนมันมีอยู่สี่สสี่อารมณ์ทั้งหมดทั้งกายเวทนาจิตธรรมมันมีอยู่สี่สิบสี่นีแต่เราไม่จําเป็นจะต้องรู้หรอกเรารู้อันเดียวียาบทปรพระอย่างเดียวก็ได้ ฉันจะมาปฏิบัติในการเจริญสติปัฏฐานอิริยาบทปร ะ, ประไอที่ต้องโยนิโสมนาสิการกันอย่างนี้ทํามีหลายท่านที่ได้ประสบการณ์มาเขาบอกว่าเขาเคยไปอบรมคุณแม่ศิริมาสามครั้งสี่ครั้งทําพองหนอยุบหนอเออเอออันนี้จะลําบากนิดนึงแล้วก็จะมาดูอิริยาบทประพานี่มันคนละอยา่างคนละอารมณ์กัน มันก็เป็นรูปน้าเหมือนกันไม่ใช่หรือไอพองยุบมันก็เป็นรูปน้ำไออิรยาบดมันก็เป็นรูปน้แล้วก็จะขยายความทีเดียวเพราะอาจารย์บอกว่าไอนี่มันก็รูปน้ำํำพอจิตสงบแล้วก็ดูรูปดูน้าบอกไม่เอาตั้งต้นเลยทีเดียวล่ะตั้งต้นเลยทีเดียวนะตั้งต้นก็ดูรูปดูน้ำแต่ถ้าเขาอยนิโสมนาสิกาน จะเจริญสติปัฏฐานในอิริยาบถประพาสเนี่ยเขาประโยน์ิโสพองยุบเสียนะพองยุบเสียเนี่ยมันก็ไม่ตรงอิริยาบถอิริยาบถนี่อยู่ตรงไหนทราบแล้วไหมฮะเดินอยู่ตรงไหนอาการท่าทางที่ก้ายืนอยู่ตรงไหนอาการท่าทางที่ ย, ยืนนั่งอยู่ตรงไหนที่อาการท่าทางที่นั่งนอนอยู่ตรงไหนที่อาการท่าทางที่นอนคราวนี้ข้อเท็จจริงที่ปรากฏพวกที่เคยทําพองยุบมา น, นะ เวลานั่งเวลานอนมันค่อยจะชอบพองชอบยุบมันค่อยจะชอบพองชอบยุบเขาเคยฝึกเคยเดินทางมาอย่างนั้นพอนั่งปุ๊บไปแล้วมันจะดูลมนั่งเพราะมันไม่ได้มันค่อยไปอยู่ที่ท้องมันอยู่ที่ท้องดูพองดูยุบนั่นแะแล้วจริงๆอย่างนั้นทุกคนนแล้วทําไงกันนันมันก็โยนิโศไม่ถูกไม่ถูกนี่ต้องมาทําไมละ่ะต้องมาแก้ ต้องมาแก้ไขกันเออแม้หนูว่าหนูไม่ได้ทํามากหรอกนะทำแค่หาครั้งหกครั้งแค่นั้นแหละแต่ว่ามาฝึกอยู่ที่บ้านบ่อยๆเนี่ยไปทําไปอบรมกับเขามาแล้วเนี่ยยุวพุธแล้วก็มาอบรมซ้อมทําที่บ้านบ่อยๆนั่นแหละไอ้ความชํานาญความเคยชินมันก็มีบรบอกว่านั่งแล้วก็จะดูรูปนั่งตร ง, ตรงอาการท่าทางที่นั่งมันไม่ใต้อาการท่าทางที่นั่ง เข้าใจเขาเข้าใจให้ดูที่อาการท่าทางที่นั่งแต่มันไม่ได้รู้อยู่ตรงอาการท่าทางที่นั่งมันคอยจะไปรู้อยู่ที่ท้องพองท้องยุบนี่แล้วหนูจะทํำยังไงละ่ะเอออาจารย์ก็ไม่ได้ไปทําพองทำยุบกับเขามาด้วยสิถามมาแล้วจะทำยังไงจะถา ม, มาว่าเราดูยังไงละ่ะนี่ัขาดความรู้สึกตัว ขาดความรู้ท่านนั่งอยู่เนี่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเลยถ้าเขาจับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเข้าใจความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วแล้วก็ไม่เป็นไรไอพองไอยุบเนี่ยมันก็เพิ่มรู้สึกไหมรู้สึกชวนให้เขากระเพื่อมไปทั่วตัวเลยนชวนให้เขากระเพื่อมไปทั่วตัวเลยนะเนี่ยไม่ใช่เอาไปช่ะตรงท้องก็ร่างกายเรานั่งอยู่ในอาการยังไงรูปกายมันก็มีทั่วอาการผ่าทางเข้าใจไหมชวนให้เขา ไปกระเพื่อมองยุบทั่วาการท่าทางของรูปเลยพอเช้ามาบอกแล้วได้แล้วทำไมละ่ะมันกระเพื่มไปทั่วเลยเอ๊ะมันพร้อมกับลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นเองมันหลุดจากท้องไม่ไปติดลมหายใจเข้าหายใจออกอีกแล้วมันไปนติดอีกเนี่ยต้องแก้อีกนะบอกลมหายใจเข้าหายใจออกเราก็ไม่สนใจ เราสนใจแต่แค่อาการท่าทางการรูปกายสองสามวันได้ไม่สนใจก็จะได้ในรู้สึกเสียเวลาไปกี่วันสามสี่วันเนี่ยแต่นี่ยังดียังพอได้บางไรายไม่ได้เลยนอนปั๊บไม่ได้เลยรับไปให้ดูรูปนอนเนี่ยมันจะไปรู้ที่พองที่ยุบเราก็ห้ามไม่ให้มันพองมันยุบทำยังไงล่ะกลั่นลมหายใจ กลั้นลมหายใจซิไม่ให้มันกล้นลมหายใจแล้วมันพองมันยุบเนี่ยแล้วนอนก็กลั้นลมหายใจแหละหนักเข้านอนไม่ได้ทํายังไงล่ะมานั่งปุ๊บ่างนี้นั่งปุ๊บทั้งคืนเลยผลสุดท้ายอยู่ไม่ได้ก็ออกก็อ อ, อกเพราะว่าเราไปทําผิดมาไปทําผิดมาแล้วจะแก้ให้ถูกเนี่ยยากก็อบอกว่าอาจารย์แนทอาจารบอกเหมือนเสื้อผ้าเราไปตัดเสื้อผ้ามันคลับไปเนี่ย ไอ้คราวนี้ตัวมันโตขึ้นมันเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเลยไอ้ตัวนั้นมันเล็กอ่าก็ต้องมาเลาะมาแก้กันใหม่บางทีผ้าไม่พอต้องเอามาตืดมาแก้ใหม่อ่าอันนี้ก็เหมือนกันคือแก้เนี่ยมันยากกว่าคนที่ไม่เคยทําผิดไม่เคยทําผิดเอาผ้าทั้งผืนมาตัดเสื้อผ้ามันง่ายแต่เลาะผ้าเสื้อตัวเก่าออกไปจะแก้ใหม่เดี๋ยวมันต้องต่อตรงนิดนิดต่อตรงนี้หน่อยมันยากกว่าแต่อย่างไรก็ตามเถอะถ้า เขาเคยมีปัญญามาเก่ า, ากไไ็แก้ไขได้แก้ไขได้เพราะฉะนั้นคนที่เคยติดสมาธิมาเนี่ยแก้ยากที่ติดนะถ้าไม่ติดไม่เป็นไรถ้าติดไม่ติดก็ยังพอจะแก้ไขได้แต่ถ้าเคยติดนีย่ยากเพราะฉะนั้นประการแรกที่เราจะกําหนดอารมณ์เนี่ยต้องอาศัยโยนิโสมนสิกันใส่ใจในความรู้ความเข้าใจที่เราเคยได้ยินได้ฟังศึกษามาให้มันถูกต้องเสียก่อนถูกต้องเสียก่อน ตั้งแต่เริ่มที่เราจะปฏิบัติวิปัสนาธรรมฐานเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อต้องการความพ้นทุกข์เห็นรูปนามขันธ์ห้าเรามันยังต้องนั่งนอนยืนเดินต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายตายแล้วก็ต้องเกิดใหม่นี่เห็นแล้วมันก็ไม่พ้นทุกข์่างนยะเราก็หาวิธีการเข้าใจว่าต้องการพ้นทุกข์เมื่อต้องการพ้นทุกข์แล้วพระพุทธเจ้าท่าน สอนวิธีการทำให้พ้นทุกข์ยางไงสอนให้ต้องมีทางเดียวคือเจริญสติปัฏฐานแต่สติปัฏฐานนั้นท่านบอกว่ามีสี่สติปัฏฐานนั้นมีสองอย่างถ้าว่าด้วยอํานาจแห่งการระลึกรู้นี่ผู้ผู้ปฏิบัติถ้าด้วยอํานาจแห่งการระลึกรู้นั้นได้แก่สติถ้าฐานรองรับของสติแล้วก็มีสี่แห่งมีกาย มีเวทนามีจิตมีธรรมนี่เรามีจริตอย่างไหนเราจะเลือกปฏิบัติตั้งสมาิที่ฐานอะไรล่ะเราก็ได้ยินได้ฟังแล้วว่าที่นี่เขาปฏิบัติในการพิจารณาีรรยาบทกั น, นแล้วเราก็เข้าใจว่าีรรยาบทนั่นคืออะไรคือรูปเดินรูปยืนรูปนั่งรูปนอนพอหรือยังรู้แค่นี้พอหรือยังไม่รู้ยังไม่พอ ต้องรู้ว่ารูปเดินอยู่ตรงไหนรูปยืนอยู่ตรงไหนรูปนั่งอยู่ตรงไหนรูปนอนอยู่ตรงไหนจะได้มีฐานมีตําแหน่งที่จะตั้งสติได้ถูกอันนี้พวกเราก็จะยินได้ฟังและเข้าใจแล้วอาการท่าทางของรูปกายตั้งอยู่ในอาการอย่างไรอันนั้นแหละเป็นฐานของสติการนี้ไอตอนที่จะตั้งสติเนี่ยต้องตั้งให้เป็นเหมือนกัน ้าเราอยู่ๆเราจะจับสติมาตั้งเอาตั้งเอาตั้งเอาเนี่ยปวดหัวคล้ายๆคนเล่นกระโดดเชือกอีกสองคนแกวงอีกคนหนึ่งจะเข้าเชือกต้องรู้จังหวะจากคนถึงจะเข้าไปแล้วมันไม่ติดถ้าคนเข้าผิดท่าไม่รู้จังหวะจากคนเนี่ยพอเข้าไปก็ติดตายไม่รู้จังหวะจากคนเพราะนั้นวิธีปฏิบัติเขามีขั้นแรกจะต้องอาศัยการโยนิโสมนสิการ พิจาณาอารมณ์ต้องรู้ว่าขณะนี้เนี่ยอิริยาบถอะไรที่มันกําลังปรากฏอยู่เฉพาะหน้าที่ท่านจัดว่าเป็นปัจจุบันอารมณ์อิริยาบถอะไรถ้าเรานั่งอยู่ถ้าถามตัวเราเองว่าขณะนี้กําลังทําอะไรอยู่กำลังนั่งอยู่อะไรนั่งละ่ะรูปนั่งรูปนั่งอยู่ตรงไหน ก็ตรงอาการท่าทางที่นั่งนี่เราได้ตําแหน่งแหละเราก็อยู่นิโสตรงอาการท่าทางที่นั่งพอรู้อาการท่าทางที่นั่งก็ตั้งสติตั้งสติระลึกไปตามอาการท่าทางที่นั่งนี่สติก็เป็นตัวระลึกอาการท่าทางที่นั่งของใครอ่ะอาการท่าทางที่นั่งของใครของเราหรือไม่ใช่ของใครละอาการท่าทางที่นั่ง ของรูปครับของรูปใครถ้าจะเป็นผู้รู้รูปปัญญาต้องเอาปัญญ า, ามารู้นี่แหละพอรา ล, ลึกไปในอาการท่าทางที่นั่งไอ้ปัญญาเขาก็ตามสติไปอ่านอาการท่าทางที่นั่งหนึ่งว่าเป็นรูปนั่งพูดแต่ปากไม่ได้ต้องเอาใจไปกําหนดรู้ที่ตรงอาการท่าทางที่นั่งด้วยถ้าพูดแต่ปากมันไม่รู้สึก แต่ถ้าเอาใจมันระลึกไปถูกอาการท่าทางของรูปนั่งแล้วอออยู่ที่อาการท่าทางนั้นเองเราก็จะรู้สึกแผ่วๆไปทั่วอาการท่าทางรูปกายที่นั่งอยู่นี่เพราะฉะนั้นการปฏิบัติที่จะกำหนดอารมณ์เนี่ยท่านจึงห้ามห้ามไม่ให้คิดนึกให้รู้ด้วยความรู้สึกเพราะคิดนึกนั่นมันไปเอาอดีตมาก็ได้ได้ไม่เอาอดีตมาคิดนึก เอาอนาคตมาคิดนึกได้ไหมรู้สึกนี่ถ้ารู้อยู่กับปัจจุบันมันต้องรู้สึกมันจะต้องรู้สึกนะี่ยเหมือนเราจะรู้เนี่ยจะรู้ว่าไอ้กาต้มน้ำเนี่ยเขาเสียบไฟไว้มันร้อนหรือไม่ร้อนเนี่ยเราไปดูไม่เห็นเราต้องทําไงละ่ะต้องเอามือไปแตะไปสัมผัสพนอะแตะพบอู่ร้อนนี่ก็รู้ไอ้รูปของเราเหมือนกันรูปนั่งอยู่ตรงไหนเอาสติสัมปชัญญะระลึกไปในอาการท่าทางที่นั่ง พอถูกร <building> ูปนั่งปุ๊บความรู้สึกของรูปนั่งเนี่ยมันรับรองความรู้สึกเราถูกรูปนั่งรับรองความรู้สึกพอรู้สึกที่อาการ่าทางที่นั่งพอจับความรู้สึกถูกอาการ่าทางที่นั่งแล้วนี่เรียกว่าเราโยนิสม์แสิการถูกอาการ่าทางที่นั่งใครเป็นผู้รู้ว่าถูกอาการ่าทางที่นั่งสติกับปัญญาสตินี่รู้ระลึกไปในอาการ่าทางที่นั่ง ตัวสมปัญญาตัวปัญญานั่นรู้ถูกรู้รู้สึกตรงอาการธาตุทางที่นั่งตรงอาการธาตุทางที่นั่งเพราะฉะนั้นไอความรู้ถูกเห็นถูกนี้ต้องปัญญาเขาเห็นสติก็รู้ไม่ได้สติเขาเพียงประลึกในอาการธาตุทางที่นั่งแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครอาการของใครที่จะรู้ว่าเป็นอาการของรูปเนี่ยตัวปัญญาเขาต้องเข้าไปติดตามตัวเพราะฉะนั้นการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเพื่อจะให้วิปัสสนาปัญญาเกิด้น สติกับปัญญานี่เขาเป็นของคู่กันอยู่เสมอไปท่านบอกสติเป็นเบื้องหน้าปัญญาตามหลังสติสัมปชัญญะเนี่ยจึงมีอุปการะมากที่สุดนักธรรมตรีก็ เ, เอาไปสอนเป็นบทเรียนว่าสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่อุปการะมากนะทำอุปการะมากยังไงทําให้พ้นทุกทําให้พ้นทุกทําให้พ้นจากการเกิดได้นี่ถึงว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมาก แต่ถ้าเราตอบเป็นแพร่สติสัมปันญะเป็นธรรมที่มีอุปการะมากอาจารย์ตอบให้คะแนนเต็มเลยสิบแต่ไม่รู้อุปการะกันยังไงเนี่ยต้องขยายความออกไปเพราะสติสัมปัญญะเขาเป็นตัวปฏิบัติเข้าไปรู้ความจริงของสภาวะแห่งรูปแห่งนามเห็นความเป็นไปทำความเป็นจริงของรูปของนามมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาโดยไม่ได้มีใครจัดแจงปรุงแต่งครับธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้นเอเราก็ได้ปัญญา ไอ้รูปน้ำที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดามันไม่ใช่ที่ไหนหรอกไอ้รูปน้ำที่ตัวเรานี่เองเราก็เห็นความไม่มีสาระไม่มีแก่นสารของรูปน้ำคันห้าของเราเราก็จะเบื่อหน่ายในสังขารเบื่อหน่ายในสังขารนี่เพราะฉนั้นเวลาปฏิบัติจริงๆสอบอารมณ์ก็จะรู้เลยความเบื่อหน่ายนี่มันออกมาหลายรูปแบบแม้อาจารย์ปฏิบัติตั้งหลายวันแล้วไม่เห็นมันก้าวหน้าอะไรเลยแล้วมันเป็นไง ชักเบื่อถามมาเบื่อสังขารใช่ไหมเบื่อสังขารเบื่อลูปเบื่อน้ําใช่ไหมเอ๊มันไม่ใช่แล้วมันเบื่ออะไรมันเบื่อไม่ได้อะไร <c oughs> ไอ้เบื่ออย่างนี้ปัญญาหรือกิเลสอะโทสะกิเลสเกิดเห็นไหมล่ะมันเคลือบแคลงกันนิดๆไอปัญญากอโทสะนี่มันอารมณ์เดียวกันนี่แหละมันเบื่อด้วยกิเลส ไม่เบื่อด้วยโทสะกิเลสไม่ใช่เบื่อด้วยปัญญาแต่ถ้าเบื่อด้วยปัญญาเป็นยังไงเขาจับความรู้สึกในรูปนามแ้ได้รูปนั่งกนน็เป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์ยืนเป็นทุกข์เดินเป็นทุกข์สังขารเรานี่ก็เป็นไปกับทุกข์เลยไปอันนี้โทสะมันไม่เกิดแต่ว่าปัญญามันเกิดปัญญามันเกิดอย่างเหมือนเรารับประทานอาหารกับข้าวไม่เห็นอร่อยเลยเนี่ยไม่เห็นอร่อย แค่นี้อีกคนหนึ่งมแม่เราต้องทานอาหารนี่น่าเบื่อนายเช้าก็ทานกลางวันก็ทานเย็นก็ทานอู้น่าเบื่อนายเดี๋ยวนี้ท้องแน่นท้องอืดไปหมดนะในพลวันนี้โทรศัพท์มาบอกว่าพรุ่งนี้ผมจะมานะครับพรุ่งนี้ผมจะมาแล้ววันนี้ไปให้หมอให้น้ําเกลือมาแล้วก็ออยิงชั่วหน่อยวันดีแล้วเหรอครับดีแล้วเอามาเอามามาได้ดีบอกแล้วนี่ ยังไม่เบื่อยังไม่เบื่อมีความตั้งใจจริงเนี่ยยังไม่เบื่อน้าอนุโมทนาบอกว่าดีครับนี่มีมีความสนใจตั้งใจจริงจะจะมาอีกนจะมาไอ้ก็การอนนอนคงจะเครียดไปหน่อยนะเครียดไปหน่อยอ่าก็สัมปชัญ ญ, ญนะน่นตัวรู้กับสติเขาไปพร้อมกับสติตามไปตามไปไอตามไปเพราะสัมปชัญญะนี่ตัวปัญญามันทต้องรู้สภาวะความจริง ไม่ใช่จำถ้ า, ารู้จำนี่สัญญามารู้ไม่ใช่ปัญญารู้อ่าอ่าน้วขาดปัญญาอ่าก็ที่เรากำหนดอารมณ์เนี่ยปฏิบัติไปเผชิญไปเนี่ยโอ้ไม่ไหวมันฟุ้งเหลือเกินก็ถามคุณสมศรีแล้วเรารู้บ้างไม่ฟุ้งนะมารู้เดี๋ยวมันก็ไปอีกเห็นไหมฮะไอที่เรารู้ว่าฟุ้งนั่นอะไรฟุ้งอะไรรู้ล่ะย่ง สติรู้สติอะไรสติอะไรที่มันรู้ว่าฟุ้งสติมีสองอย่างสติรู้ระลึกรู้ทั่วๆไปอันหนึ่งสติที่ตั้งอยู่ในสติประฐานอันหนึ่งแกเรียกอภิลาพนาลัคนาสติรู้ระลึกด้ชทั่วๆไปอุปการธนะลัคนาสติรู้ที่รูปที่นามพอมันพุ้งไปเรารู้ไม่รู้สติมาแล้วสติอะไรที่มาสติทั่วๆไป มันยังไม่ลงฐานแล้วก็จับเฉยๆอพอรู้ว่าพุ่งแล้วตั้งใหม่นี่ลงฐานแล้วทั้งสติทั่วไปทั้งสติที่รู้ในสติประฐานมันก็จับกันได้เนี่นะะถูกแล้วนี่เราเข้าใจนี่ถ้าเรียนเข้าใจแล้วปฏิบัติมันเข้าใจแต่สติที่เราเผลอไปมันมีสติยุ่ง น, น่ะมันไม่ลงฐานมันเป็นสติทั่ ว, วไปเดินเราก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่า น, านั่งนอนก็รู้ว่านอนมันไม่ไปลงที่ฐานที่รู้อะไรนามอะไร มันขาดไปนิดแต่สติมีแล้วสติมีแล้วแต่ว่าขาดตัวสัมปชัญญะที่จะจับสภาวะของรูปถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็เออไอตอนเดินไปพบเอ๊ะนี่ยเรามีแต่สติไม่มีปัญญาเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นรูปอะไรนามอะไรเดี๋ยวเราก็จับได้ถ้าเราเข้าใจเดี๋ยวเราก็จับได้ต้องโยนิโสตลอดเวลาเลยต้องโยนิโสเพราะโยนิโสตั้งแต่จะไปนิพพานนะฮแล้วโยนิโสมาถึงปัจจุบันอารมณ์นะ แล้วต้องคอยโยนิโสต้องครสังเกตนะเนี่ยเรารู้รูปเนี่ยเดี๋ยวนี่รู้จริงๆหรือเปลารูปหรือไอ้ใจมันแอบไปคิดเรื่องอื่นก็อคอยโยนิโสอยู่เรื่อยเมื่อไรเรามีความคล่องแคล่วชำนิชำนาญสติสัมผัญยากเข้าคล่องแคล่วโยนิโสน้อยน้อยแต่พรนั่งก็รู้สึกในรูปนั่งลุกขึ้นยืนก็รู้สึกในรูปยืนก้าวเดินก็รู้สึกในรูปเดินนีโ่โยนิโสน้อยบางทีเราไม่อยากจะดูเขายังต้องรู้เลยเขารู้ให้เองแคความชำนาญมีมาก เราก็รู้จับปัจจุบันอารมณ์ได้ดีนะจ้ต้องอยู่จะเปลี่ยนอย่าบททีต้องโยนิโซอีก้เพราะว่าถ้าไม่โยนิโสไว้การกิเลสไม่ได้เราจะเปลี่ยนไปทำไมล่ะธรรมดาธรรมชาติก็เราจะเปลี่ยนไปหาความสบายแต่นี่ไม่ใช่ที่จริงก็เปลี่ยนเพื่อแก้ทุกข์เราก็ต้องโยนิโสให้ตรงเพราะมันแย่งกันระหว่างที่กิเลสกับปัญญาเนี่ยมันแย่งอารมณ์กัน อย่างอารมณ์กันอย่างเราเนี่ยกิเลสมันครองอยู่เป็นประจําเนี่ยฉันเนี่ยนะฮะรูปนัน่งขันหน้าเรานั่งเรานอนเรายืนเราเดินเนี่ยแต่เราจะใ ห, ปญญปห้ปัญญาเกิดมันต้องไปขับไล่กิเลสปัญญาเกิดมันต้องไปขับไล่กิเลสนะไม่ใช่เรานั่งนะรูปนั่งนะเนี่ยรูปนั่งไปขับไล่กิเลสไอ้กิเลสมันไม่ยอมมันก็จะทวงเอาของเราเรานั่งนะไม่ใช่รูปนั่งนะเหลอจากรูปนั่งเมื่อไหร่เป็นยังไงกิเลสเอาไปแล้ว ยืดไปเรานั่งอีกแล้วเนี่ยวันนั้นต้องคอยโยนิโสอยู่เรื่อยไปถ้าสติปัญญายังไม่มีกําลังพอต้องคอยโยนิโสไว่ใหม่ๆนี้ต้องโยนิโสมากบางทีเผลออา้าวจะเปลี่ยนอา้าวเมื่อกี้เผลอโยไปไม่ได้โยเนี่ยแต่ว่าถ้าโย บ, ยบ่อยๆเพราะมันเคยชํานาญไม่ไม่เตอละล่ะเพราะว่าความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วจะขยับเคยื่อนเกินไว้อะไรเนี่ยเขาจะโยนิโสมิจตเสร็จเราไม่เขาไม่ไม่ต้องเชื่องชาละเขามี สติสัมผัญแยคล่องแคล่วว่องไวเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติเนี่ยจะปฏิบัติดีหรือไม่ดีเนี่ยตัวเองนี่รู้จะถามว่าเป็นไงวันนี้เป็นไงดีขึ้นค่ะถามมาอะไรมันดีเนี่ยนะสติสัมผัญแยไอตัวทํางานเนี่ยสติสัมผัญแยมันคล่องเต็มเนี่ยไอดีก็คือสติสัมผัญแยมันคล่องเต็มไม่เผลอมากเผลอปุ๊บก็รรรู w, เ้เ ร, ร็วเผลอปุ๊บรู้เร็วเผลอปุ๊บรู้เร็วมันอยู่กับปัจจุบันอารมณ์ นี่แล้วก็ดีขึ้นน่ะเพราะผู้ทํางานเขาขยันทํางานดีขึ้นนะไม่ใช่ว่าลูกคกายล้วมันผ่องใสหน้าเปลงปลังไม่เคยดีอย่างนั้นดีเพราะไอ้ตัวทํางานตัวปฏิบัติมันคล่องขึ้นมีสติสัมปชัญญะคล่องขึ้นแต่อย่าจําผมไปเดี๋ยวเอาไปตอบคนะ <c oughs> เดี๋ยวจาเอาไปตอบแล้วเป็นไงไม่ให้ดีดียังไงไมันคล่องขึ้นนะเ่ยเดี <c oughs> วเปล่าล็อกนะอาจารย์บอกว่าหนห้องไวงว่าถ้าดีมันจะคล่องขึ้นนะ แต่ตัวเราเองจะรู้สึกจะรู้สึกนะแล้วก็มันรู้สึกคล่องขึ้นคล่องขึ้นยิ่งอยู่นานยิ่งเข้าใจเพราะมันจริงรู้สึกดีขึ้นแต่ว่าพอจะออกปุ๊บเอาแล้วไอ้กิเลสมันมาทวงแล้วทวงแล้วล่ะพรุ่งนี้มาเลยนี้จะออกแล้วเอาแล้วมีใครจะทำนะต้องที่เราจับอารมณ์ถูกจับรูปนั่งถูกรูปนั่งจับรูปเดินถูกรูปเดินจยางเวลาเดินเนี่ยเราก็รู้ในขณะที่เดิน แต่ถ้าใจมันแว บ, บไปไปคิดเรื่องอื่นปุ๊บเดินอยู่นั่นแหละแต่มันไม่รู้รูปเดินก็ก้าวเดินนั่นแหละแต่มันไม่รู้รูปเดินหรือไม่งั้นอรู้เดินนะแต่ไม่รู้ว่าใครเดินไม่รู้ว่ารูปอะไรเดินเนี่ยอันนี้ก็สมัมปชัญญะมันก็ขาดไปมันมีแต่สติเพราะฉะนั้นถึงต้องคอยสังเกตในขณะปฏิบัติต้องใครใช้ความสังเกตว่าเนี่ยขณะปฏิบัติขณะนี้ยังรู้สึกอยู่กับรูปอะไรอยู่เดี๋ยวนี้ยังรู้สึกกับรูปนั่งอยู่ขณะนี้ยังรู้สึกกับรูปนั่งอยู่ต้องให้สติปัฏฐานเขา ทำงานครบเนยสติด้วยคิตตั้งของสติด้วยต้องอยู่กันบางทีมันรู้แต่อาการท่าทางแค่นั้นแต่ไอตัวทํางานสติเยกเกิดอย่างเดียวปัญญาไม่เกิดมันก็ขดาดความรู้สึกไปอันนี้ต้องคอยสังเกตไว้อ่าก็อ่าบางทีเราเพ่งมากไปอา้าวเลยเฉยเลยสมาธิมันมากไอสติถูกเบียดตกไปแล้วนี่นะถูกเบียดตกไปแล้วสมาธิมันตั้งเฉย อ, อยู่ในอาการท่าทางแค่นั้นทํายังไงล่ะ ต้องขยับตัวนิดหนึ่งขยับตัวนิดหนึ่งให้สมาธิเขาไกลออกมเนี่ยหรือเราหายใจแรงๆหรือเปลี่ยนยาบทกระพริบตาแรงๆก็ได้ให้ยาบทเขาไหวสักนิดหนึ่งเอาล่ะสมาธิเขาเคลื่อนไปแล้วเดี๋ยวจับความรู้สึกได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเหตุผลแต่โปกจะแก้ไขนี่ต้องเข้าใจในขณะที่ปฏิบัติเราปฏิบัติแล้วจะต้องหมั่นเข้าบ่ <laughs> อยบฮอหารูปน้ำไม่เจออ่ามี มีคนไม่เข้าใจมีเพราะเรื่องรูปเรื่องนามเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงมีมีแต่ว่าถ้าเราฟังแล้วพอเข้าใจว่าสภาวะของรูปก็คือรูปกายเราเนี่ยนะเนี่ยเราจับดูถูกต้องได้แต่มันรู้อารมณ์ไม่ได้ไอ้รูปเนี่ยมันไปถูกแต่อ้ยนามันเป็นผู้รู้อารมณ์เพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งเนี่ยไอ้รูปมันถูกดูเป็นอารมณ์ไอ้นามเราก็ดูเดี๋ยวเวลานั่งไปนานปุ๊บเนี่ยไอ้รูปเนี่ยมันเบียดเบียนบีบขันมันอยู่ตลอดเวลา มันนั่งอยู่นานแล้วมันบีบคั้นกันแล้วไ้เวทนามันไปอ่านแล้วทุกเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอะไรเป็นทุกข์เราก็รู้ล่ะรูปนั่งเป็นทุกข์นี่จะค่อยๆเข้าใจเข้าใจจากทุกข์เข้าใจรูปเนี่ยจากทุกข์รูปนั่งเป็นทุกข์รูปนอนเป็นทุกข์ยืนเป็นทุกข์นี่จะเข้าใจแต่อ้รูปละเอียดนั้นก็รู้รู้ยากหน่ไม่เหมือนแต่รู้จักรูปนั่งรูปนอนรูปยืนรูปเดินเนี่ยรู้ง่ายไม่ต้องไปเปลี่ยนเป็นเวทนาให้ดูว่ารูปนั้นเป็นทุกข์แล้วจะเข้าใจได้ทุกกอันนี้็ จะเป็นประโยชน์นะต้องเรียนแล้วรู้รูปรู้นาม ร, ร, ร, รู้จักชื่อเถือถ่อเช่านั้นเยอะอาจารย์ที่สอนอภิธรรมเนี่ยจบปริญญาแล้วไปสอนมาเข้าปฏิบัติเนี่ยยังดูไม่ถูกยังดูไม่ถูกอย่าไปออกชื่อครับยังดูไม่ถูกเลยต้องมาตั้งหลายครั้งถึงจะค่อยๆรู้ไปแต่ว่าตัวหนังสือเนี่ยร้อเลยอธิบายเขาชัดเจนเลยนักเรียนฟังกัน สอบกันได้เป็นแถวแๆวแถวแถวไปไแต่ว่ายรู้จักสภาวะจริงๆเนี่ยยังไม่รู้อย่างไปถามดูอาจารย์สอนทํากับข้าวแม่ครัวแกงเขียวหวานทําอะไรใส่อะไรบ้างเนีปลอเลยให้แกงข้าวไม่เป็นรสเป็นชาต์เลยเรื่อยเวลาทําถ้าทําทําไม่รู้จะอะไรก่อนอะไรหนักเบาไปแค่ไหนและจะแก้ไขยังไงไม่รู้ <c oughs> นี่เหมือนกันการปฏิบัติการปฏิบัตินี่ยิ่งละเอียดอย่างยิ่งละเอียด และกิเลสมันก็ตามแทรกซ้อนเรากิเลสมันมาหลอกเรายิ่งละเอียดอย่างเรานั่งอยู่ดีดรูปดวงร่างดีดีเนี่ยอ้าวเดี๋ยวคันตรงนี้บังเราถามว่าคันจริงๆหรือเปล่าไม่ได้คันหรอกมันอยากจะเคลื่อนไหวถูกกิเลสหลอกแล้วดูเอา้าลองทนดูสิมันไม่เกาใชหายไม่มีเลยหายอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยกิเลสมันหลอกลเราบ่อยนะเรานะฮะพอสมควรกับเวลาสําหรับวันนี้ก็ข อ, ขออนุโมทตากระเชิญสวดมนต์ไหว้พระแล้ว ข, ข, อขอกราบนะมั ส, ส ก, การพระคุณเจ้าสวัสดีครับท่านสาธุชนที่เคารพถูกท่านวันนี้ก็ย่างครับเป็นวันที่สี่แห่งการอบรมนี้เราก็ได้รับฟังพระสัทธรรมคำสอนตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่าได้ประกาศไว้โดยเฉพาะก็รู้จัก สัจธรรมตามความเป็นจริงก็คือน า, นามรูปนามรูปนี่อาจารย์ทั้งหลายก็พูดกันไปมากมายหลายเป็นต้นว่าการแสดงถึงเรื่องของจิตของเจตสิกรูปนิพพานนี่ก็แสดงถึงปรมัถธรรมที่เป็นความจริงซึ่งเมื่อยอดที่สุดแล้วก็เอาไปจับ นามจากรูปและนอกจากนั้นยังได้ยินได้ฟังในเรื่องราวของอริยสัจธรรมสี่ประการบอกว่ามีทุกข์สมุทัยนิโรธมักทุกสมุทัยนิโรธมักก็คือปรมัทธธรรมสี่ประการ น, นั่นเองคือจิตเจตสิกรูปนิพพานโลกียจิตแปดบเอ็ด เจตสิกที่ประกอบ51บอรูปอินทริยาพัทธรูปรูปที่เนื่องด้วยกรรม28รูปนี่เป็นตัวทุกขสัจจ์ตัวสมุทัยคือกิเลส ต, ตัณหาโลภะกิเลส่ปและเป็นเหตุให้เกิดทุกตัณหาเป็นสมุทยัยแล้วก็รู้จักเหตุให้เกิดทุกคือโลภะเจตสิก ทั้งภาวะตัณหาทั้งกามตัณหาภาวะตัณหาก็คอือยึดรูปนามขันห้าของเรายึดภพภูมิที่เป็นอยู่ยึดรูปนามขันหาตลอดจนทั้ ง, ย, ย, งภภยึดรูปเสียงกลิ่นรสผดถ ภ, ภารมยึดรูปเสียงกลิ่นรสผภารมและธรรมารมณ์ รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพารมธรรมารมก็เกี่ยวเนื่องด้วยกามาตัญหายึดขันห้าก็เกี่ยวกับภาวะตัญหาตลอดจนกระทั่งถึงภพภูมิมันเป็นที่เกิดที่อยู่ของสัตว์นี่ก็จัดว่าเป็นภพเป็นภาวะตัญหาเรียกว่าอุปัติภพและกรรมต่างๆทั้งหลายที่กระทาลงไปเพื่อเป็นกุศลกรรมอกุศลกรรมก็ตามเป็นตัวกรรมมาภพเป็นตัวที่จะก่อให้เกิดอุปัติภพ เพราะนั้นสาระสำคัญที่สุดก็คืออยู่ที่รูปนามรูปธรรมนามธรรมเพราะนั้นสิ่งที่เราได้เข้าใจแล้วว่ารูปธรรมนามธรรมานี่ก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนที่อื่นไกลมีอยู่ที่ตัวเราทุกคนกายก็เป็นรูปใจก็เป็นนามนี่โดยสังเขตท่านก็แสดงบ่ากายกระจายนี่ก็คือขันห้าหนึ่แหละโดยสังเขต แต่โดยละเอียดลงไปอีกนิดหนึ่งว่ารูปนามขันหัก็ปรากฏให้รู้ที่ไหนเขาก็ปรากฏให้รู้ทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจมีทั้งรูปทั้งนามที่ปรากฏให้รู้ได้แต่เรารู้ไม่ทันครับเรารู้ไม่ทันครับเราก็รู้ไม่ทันครับเพราะนั้นเราก็ต้อง พยายามที่จะศึกษาให้รู้ให้เข้าใจเดี๋ยวนี้เราได้ยินได้ฟังมาแล้วว่ารูปนามนี่เขาปรากฏขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจมีอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่รู้กันเพราะเราไปศึกษาในสมมุติบัญญัติกันเสียเราจึงไม่รู้ในส่วนที่เป็นปรมาตธรรมตามความเป็นจริง ตอนนี้เราังมาฝึกอบรมเพื่อจะให้รู้รูปรู้นามตามความเป็นจริงเราได้ศึกษาได้เราเรียนมาได้ยินได้ฟังมาว่าถ้ารับอารมณ์ทางตาให้กำหนดอะไรรูปรูอนามถ้ารับอารมณ์อารมณ์ทางตานามเห็นรับอารมณ์ทางหูให้รู้ที่ นามได้ยินที่หูนามเห็นที่ตานามได้ยินที่หูรับอารมณ์ทางจมูกให้รู้รูปที่รูปกลิ่นที่จมูกรับอารมณ์ทางลิ้นรู้รสที่ลิ้นกลางชิวหาประสาทอยู่กลางลิ้นรับอารมณ์ถูกต้องทางกายกายาประสาทนี่อยู่ทั่วร่างกายทั้งภายในภายนอกมีกายาประสาทแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเรารู้สึกได้นี่เรารับอารมณ์ ถ้าทางตากาหนดนามเห็นทางหูกาหนดนามได้ยินทางจมูกกาหนดรูปกลิ่นทางลิ้นกาหนดรูปลดทางกายกำหนดรูปแข็งอ่อนเย็นร้อนเพ่งตึงเคลื่อนไหวทางใจให้รู้รูปนั่งรูปนอนรูปยืนรูปเดินโดยหลักการกันแต่เราจะรู้ทางตาจะรู้นามเห็นนามได้ยินรูปกลิ่นรูปรดรูปถูกต้องสัมผัสในเบื้องต้นนั้น่ะ สติปัญญาเราไม่ไม่พร้อมเพราะว่าอารมณ์ต่างๆทั้งหลายนี่เขาเข้ามาพร้อมๆกันนี่เรานั่งอยู่เนี่ยในรูปมากระทบตาก็มีเสียงกระทบหูก็มีกลิ่นกระทบจมูกก็มีรสกระทบลิ้นก็มีโผฏพลารมกายเราสัมผัสถูกต้องกับความเย็นกัน็เข้ า, ขามาทั่วกันไปเราจะจับดูอารมณ์อะอันหนึ่งตรงไหนนี่ เราก็ยังสับสนอยู่ไม่รู้จะจับอะไรเพราะพุทธองค์ก็บอกไว้ให้บอกไว้ให้วิธีการที่จะเริ่มต้นรู้รูป ร, รู้นามต้องปฏิบัติตามสติปัฏฐานเพราะสติปัญญาของเราเนี่ยยังไม่คล่องแคล่วยังไม่ชำนิชำนาญในการกําหนดรู้อารมณ์ที่เป็นความจริงสติไปละลึกรู้อารมณ์ที่เป็นสมมติบัญญัติสมุติ ไอปัญญาเขาเอาแต่เพียงว่าไปรู้เหตุผลในทางโลกโลกเสียเราไม่รู้สภาวะธรรมและไม่รู้เหตุผลของธรรมตามความเป็นจริงท่านให้ตั้งต้นใหม่ตั้งต้นที่สติต้องเอาสติตั้งอยู่ที่รูปหรือนามที่กำลังปรากฏอยู่เป็นปัจจุบันอารมณ์เพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่า ในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแปด0มืนสี่พันพระธรรมขันธ์ย่อที่สุดแล้วเหลือกับรูปนามหรือว่าแปด0มืนสี่พันพระธรรมขันธ์นั่นขยายความออกไปจากรูปนามนั่นเองเพราะว่ารูปนามนั้นเป็นแก่นธรรมแก่นธรรมเขาตามหาแก่นธรรมกันจนกระทั่งเลิกรายการไปแล้วนะเพกาหาไม่ได้เพราะไม่ได้จับตรงสภาวะของ p ร r a m a t t h นักศึกษาเราท่านหนึ่งก็โทรศัพท์ไปบอกอาจารย์เจิมศักดิ์เขาจะจัดมาพูดตามหาแก่นตามที่นคนปรปฐมแล้วก็โทรศัพท์บอกว่าให้เชิญผมไปพูดคนที่เป็นวิวทยา ก, กรเจ้าหน้าที่เขาก็โทรศัพท์มาที่นี่แล้วก็โทรศัพท์มาเขาบอกเรื่องแล้วบอกเราจะพูดกันเอาถูกเอาถูกต้องเราไม่ถูกต้อง เขาบอกไม่มีการตัดสินพูดไปก็แล้วแต่ความคิดความเห็นของใครให้ผู้ฟังเขาตัดสินเอาเองเออก็ไม่มีประโยชน์นะสิบอกไม่มีประโยชน์นะสิก็ไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะมันมีอยู่สองอย่างคาพูดเราเนี่ยถูกกับผิดสองอย่างแล้วถ้าพูดไปให้เขาฟังเอาเองตัดสินเอาเองก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันก็ไม่ถึงแก่นธรรมเขบอกเขา เ, เขาก็เลยให้เจ้าหน้าที่จีจัดรายการโดยเฉพาะมาพูดอีกทีนึง แล้วถามมาแล้วแล้วผมว่าแก่นทำรร ม, มันอยู่ที่ไหนอะที่รูปที่นามใช่ผมทีก็รูปนามสองคำเนี่ยจบแล้วแก่นทำเพราะ อ, อย่างงั้นก็ไม่ใช่เป็นวัตถุประสงค์ของการตามหาแก่นทำของเขาไ ม, ไม่ใช่เป็นวัตถุประสงค์ของรายกครเราก็เลยไม่เอาเพราะว่าเขาเอาความคิดความเห็นคนโน้นว่าอย่างงั้นคนนี้ว่าอย่างนี้แล้วคนนี้ว่ายัางไง ก็ตามกันไปตามกันมาก็ไม่เจอแก่น ท, ทัพมสักทีนี